แผ่นดินที่สองบ่ายวันหนึ่งในขณะที่พลอยนั่งดูลูกๆเล่นกันอยู่ที่หน้าตึกตาอ้นตอนนี้อายุเจ็ดขวบเศษตาอน้นอายุร า, ราวๆห้าวขวบแล้วก็มีตาออดบุตรชายคนที่สองของพลอยที่ท้องค้างแผ่นดินมาเกิดเอาในสมัยรัชกาลที่หก ระหว่างงานพระเมนพระพุทธเจ้าหลวงมหาราชตาออดอายุราวๆสามขวบตอนที่ท้องตาออดพลอยนึกอยู่ตลอดว่าลูกคนนี้จะต้องเป็นผู้หญิงแต่พอออกมาจริงก็เป็นผู้ชายหน้าตาไม่ผิดกับตาอั้นเท่าไหรนะ่นักชื่อที่เรียกกันในครอบครวัวก็ต้องเป็นตาออดต่อจากตาอั้นส่วนชื่อจริง คุณเปี่ยมตั้งให้ว่าประพจ์ตา อ, อนในชื่อประพนตาอั้นประพันธ์ตะออสประพจนศพอตะออสอายุได้สองขวบกว่าๆพลอยก็ตั้งท้องอีกผนหนึง่งคราวนี้พลอยถึงกลับบนบานสารกล่าวขอให้ลูกเป็นผู้หญิงอยากได้ลูกสาวแล้วก็คิดชื่อล่วงหน้าว่าประไพ เมื่อพลอยบอกคุณเปรมคุณเปรมก็หัวเราะแล้วก็พูดสับเพยอกว่าระวังให้ดีเถิดแม่พลอยเดี๋ยวออกมาเป็นผู้ชายเสียอย่างตาออดก็จะต้องวุ่นวายคิดชื่อกันใหม่อีกนี่คือความเป็นไปของพลอยในฐานะภรรยาและในฐานะแม่ในส่วนของคุณเปรมค่ะชีวิตของคุณเปรมก็เปลี่ยนไปพอดูทีเดียว ตั้งแต่ผลัดแผ่นดินคุณเปรมได้เลื่อนฐานะขึ้นไปในหน้าที่ราชการหลังจากพระบรมราชาพิเศษแล้วคุณเปรมก็ได้ตำแหน่งมหาดเล็กหุ้มแปร์ราชทินานามว่านายสนองราชกิจคนทั้งปวงก็พากันเรียกว่าคุณสนองเรื่อยมาชื่อคุณเปรมที่พลอยเคยเรียกมาแต่แรกก็ดูจะเลือนหายไปทุกคนก็พากันเรียกราชทินานามแทนต่อมาอีกปีหนึ่ง มีงานบรมราชาพิเศษสมโพธ์มีเจ้านายจากประเทศต่างๆในโลกมาชุมนุมในกรุงเทพมากกว่าที่เคยปรากฏมาในประเทศใดๆในตะวันออกคุณเปรมหรือคุณสนองรับราชาการคราวนั้นมีความดีความชอบมากได้เหรียญตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพอเสร็จงานบรมราชาพิเศษสมโพธ์แล้วไม่นานคุณเปรมก็ย้ายตำแหน่ง จากรมมหาดเล็กไปอยู่กรมวังเรื่อบนบรรดาศักข์ขึ้นเป็นคุณพระมีราชทินานามว่าพระบริบาลภูมินาศวันที่ได้รับสัญญาบัติคุณเปรมกลับมาบ้านแล้วก็บอกกับพลอยว่าแม่พลอยเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคุณพระเสียแล้วได้ยินใครเรียกว่าคุณพระรู้สึกว่าแก่ ง, งําเหือกลงไปถนัดใจเมื่อเป็นคุณสนองหุ่มแพรนั้น ฟังดูเป็นหนุ่มเข้าทีดีอยู่ฉันก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเป็นคุณพระนี่ฉันถึงรู้ตัวว่าแก่คุณเบรมเดินไปมองดูตัวที่กระจกในห้องยกมือขึ้นลูบผมที่เริ่มจะงอกระปรายเนื้อขมับขึ้นไปทั้งสองข้างแล้วก็พูดต่อว่าใครเขาเห็นฉันจะแก่ก็ช่างเถอะดีซะอีกแต่มีคนคนหนึ่งที่ฉันอยากให้เห็นว่าฉันยังหนุ่มอยู่เสมอ คนคนนั้นก็คือแม่พลอยเพราะฉะนั้นแม่พลอยอย่าได้ริเรียกฉันว่าคุณพระตามคนอื่นเข้าไปเป็นอันขาดทีเดียวนะเคยเรียกอย่างไรก็ขอให้คงเรียกอย่างนั้นถ้าขืนไม่ฟังฉันจะทิ้งเสียแล้วก็ไปหาเมียใหม่พลอยหัวเราะชอบใจดูคุณเปรมสิเดี๋ยวก็ว่าตัวแก่แต่อีกประเดี๋ยวก็จะริหาเมียใหม่อย่างกะว่าฉันคอยห่วงห้ามอย่างนั้นแหละ อยากจะมีสักกี่คนก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกความจริงคุณเปรมจะแก่ลงไปฉันก็ไม่เห็นจะน่ากลัวอะไรเพราะว่าคุณเปรมไม่ได้แก่ลงไปคนเดียวสักหน่อยฉันก็แก่ลงไปด้วยเหมือนกันและถ้าจะว่ากันไปแล้วฉันรู้สึกตัวว่าเดี๋ยวนี้ฉันแก่กว่าคุณเปรมซะอีกคุณเปนนะรมน่ะดูหนุ่มกว่าแต่ก่อนเป็นไหนไหนพลอยคาที่พลอยพูด เป็นเชิงสัพยอกก็จริงแต่ก็มีสาระแห่งความจริงใจอยู่ในนั้นมากกว่าที่พลอยรู้ตัวเพราะขณะนี้พลอยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ผู้ใหญ่ที่เป็นญาติก็ตายไปบ้างแล้วหลายคนเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนเสด็จสวรรคตแล้วไม่นานเสด็จของพลอยก็เริ่มประชวน และเมื่อประชวนอยู่ได้สัก3ามเดือนเสด็จก็สิ้นพระชนทำให้พลอยต้องโศกเศร้าอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องหอบลูกเข้าวังทั้งที่เป็นแม่ลูกอ่อนเพื่อช่วยคุณสายทำงานเกี่ยวกับงานพระศพซึ่งตั้งไว้ที่หอธรรมสังเวชงานถวายพระเพลิงเสด็จผ่านพ้นไปแล้วที่ตําหนักมีแต่คุณสายช้อย แล้วก็ฆ่าหลวงอีกสองสามคนที่มีอายุคงอยู่ไปโดยไม่มีเจ้านายที่เคยคุ้มครองประทับอยู่หลังจากที่เสด็จสิ้นประชนแล้วพรอยก็รู้สึกว่าตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยสมบูรณ์ไม่ใช่เด็กหรือรุ่นสาวที่ยังมีผู้ใหญ่คอยคุ้มครองแต่เป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็เป็นที่พึ่งต่อลูกๆที่เกิดมา และถ้าใครจะถามพลอยว่าแผ่นดินก่อนกับแผ่นดินปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรพลอยก็คงจะต้องนึกถึงคุณเปรมก่อนผูอ้อื่นเพราะความแตกต่างนั้นเห็นได้ชัดในตัวของคุณเปรมแผ่นดินก่อนเป็นแผ่นดินของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคุณเปรมตลอดจนคนอื่นๆที่พลอยรู้จักจึงวางท่าทางเป็นผู้ใหญ่กิริยาวาจาการแต่งกายตลอดจนชีวิตประจําวัน หรือวิธีทำงานการก็รู้สึกว่าเป็นอย่างผู้ใหญ่ทั้งสิ้นแต่พอผลัดแผ่นดินใหม่การเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างก็เริ่มสําแดงตัวออกมาทีละน้อยแผ่นดินใหม่เป็นแผ่นดินของคนหนุ่มบรรยากาศในพระราชสำนักก็เป็นบรรยากาศของความหนุ่มแน่นคุณเปรมก็เปลี่ยนไปตามโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้การแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณเปรมดูพิถีพิถันเอาสวยเอางามกว่าแต่ก่อน ท่าทางก็ดูทรมัดทะแมงกระเดียดไปทางฝรั่งหมากพลูบุรี่ที่เคยกินก็เปลี่ยนไปเป็นบุรี่กระป๋องจากนอกและที่พลอยรู้สึกตะคิดตะขวงใจแต่ไม่กล้าห้ามก็คือคุณเปรมเริ่มกินเหล้าฝรั่งจากนอกชนิดต่างๆซึ่งมีราคาแพงถึงแม้ว่าคุณเปรมเนี่ยจะพยายามอธิบายถึงการเข้าสมาคมและคุณสมบัติอันวิเศษไม่มีอันตรายของเหล้าเหล่านั้นอย่างไรอย่างไรพลอยก็ยังเห็นว่าเป็นเหล้าอยู่นั่นเอง คุณเปรมซื้อผ้าม่วงผ้าพื้นต่างๆจํานวนมากมายตัดเสื้อที่ใช้ผ้าราคาสูงเป็นจํานวนมากจะไปไหนมาไหนก็แต่งตัวอย่างประณีตบรรจงเหมือนกับว่าจะไปประกวดประคันกับใครแต่ก่อนพลอยจําได้ว่าคุณเปรมไม่ได้พิถีพิถันเรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเท่าไหร่นักเพราะว่าในพันดินก่อนมหาดเล็กจะเข้าไปข้างใน รุงได้แต่ภาพพื้นผมนั้นก็ต้องเอามือเสยหรือขยี่มีให้เรียบแต่เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปราชสำนักแผ่นดินปัจจุบันยังไม่มีข้างในคือยังไม่มีฝ่ายในนะคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นยังมีได้อภิเศกสมรสความสำคัญต่างๆตลอดจนความหรูหราโออาก็ออกมารวมประกวดประคันกันอยู่ข้างหน้า ทุกคนพยายามทาตนให้อยู่ในสายตาของคนอื่นคุณเปรมมีฐานะส่วนตัวดีกว่าคนธรรมดาก็สามารถที่จะแสดงความหรูหราร傲อ่าได้มากการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเปรมนั้นพลอยดูอยู่ด้วยสายตาที่เป็นกลางบางอย่างก็นึกขันบางอย่างก็รำคาญแต่บางอย่างก็ใจหายใจความแทนเมื่อคุณเปรมเริ่มสะสมพ้นุ่งและเสื้อหมวก ตลอดจนถุงตีนคือถุงเท้าสมัยนี้เนี่ยนะคะพรอยก็ตามใจนึกขันและก็นึกเอ็นดูไปในขณะเดียวกันแต่พอคุณเปรมเอ่ยขึ้นมาว่าเสื้อนอกที่ซักรีดในเมืองไทยนั้นฝีมือไม่ดีไม่เรียบร้อยอยากจะส่งไปซักที่สิงคโปร์โดยฝากเรือเมย์ไปพรอยก็นึกรำคาญเห็นว่ามากเรื่องแล้วก็ทำเป็นเฉยเสียไม่เอออวยด้วยคุณเปรมซื้อรถยนต์ตอนเดียวเครื่องทองเหลือง จุดไฟแก๊สที่ตะเกียงข้างหน้ามาคันหนึ่งแล้วก็จ้างแขกมาขับอันนี้พลอยก็เห็นดีด้วยเพราะว่ารถยนต์เป็นของใหม่สะอาดสะอ้านรวดเร็วกว่ารถมา้าแล้วก็ทำให้พลอยได้มีหน้ามีตาไปด้วยแต่คุณเปรมก็ไม่ได้เลิกเลี้ยงมา้าคือซื้อรถแล้วแต่ไม่เลิกเลี้ยงมา้ากลับซื้อม้ามาเพิ่มแล้วก็จ้างคนเลี้ยงเป็นพิเศษเพราะคุณเพรมเป็นเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ ถ้ามีเวลาว่างก็ต้องออกขีม่ม้าฝึกมา้าด้วยลักษณะอันโรดผลต่างๆซึ่งอันนี้ทำให้พล อ, อยไม่สบายใจการเปลี่ยนแปลงที่พล อ, อยเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตในหวังแผ่นดินนี้ยังไม่มีฝ่ายในหรือว่าไม่มีข้างในความร่วงโรยเริ่มเกิดขึ้นในวังทีละน้อยระเบียบประเพณี ต, ต่างๆยังคงมีอยู่เหมือนเดิม ตําหนากรักษาและพระที่นั่งก็ยังเหมือนเก่ามีได้ปรักหักพังลงไปแต่ทุกครั้งที่พลอยเข้าวังเพื่อเยี่ยมเยียนพวกพ้องคนเคยรู้จักพลอยก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าไปในบ้านที่ไม่มีเจ้าของเจ้าหน่ายชั้นพระมเหสีหรือพระอัครชายาก็เสด็จไปประทับตามวังต่างๆข้างนอกซึ่งสร้างขึ้นเป็นการส่วนพระองค์เจ้าจอมมารดาบางท่าน ที่มีพระองค์เจ้าเป็นต่างกรมก็กราบบังคมทูลลาออกไปอยู่วังกับพระองค์เจ้าที่เป็นบุตรในวังนั้นเหลือเจ้านายน้อยพระองค์นักที่ประทับอยู่เป็นประจำมีแต่คุณพนักงานโขนจ่าซึ่งยังคงมีหน้าที่ราชการและข้าหลวงเจ้านายที่สิ้นพระชนไปแล้วหรือมิฉะนั้นก็คนเฝ้าตำหนักต่างๆที่ท่านเจ้าของออกไปสร้างวังอยู่ข้างนอก ทางบ้านคลองบางหลวงพลอยก็ไม่ได้ติดต่อเกี่ยวข้องอีกเลยตอน แ, กแรกๆตอนที่พ่อเพิ่มยังอยู่ในบ้านพลอยก็ยังพอมีทางทราบข่าวคราวต่างๆจากพ่อเพิ่มแต่พออยู่ไปได้ไม่นานพ่อเพิ่มก็ได้ภรรยาคนหนึ่งชื่อเยื้อเป็นลูกสาวพ่อค้าแถวถนนบ้านแขกพ่อเพิ่มค้ามฝากมาอยู่ที่บ้านภรรยาแล้วก็รับราชการที่เดิมเรื่อยมา จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพันวิจารทุกคนก็พากันเรียกพเพิ่มว่าคุณหลวงพันแม้แต่พลอยเองก็เรียกตามคนอื่นไปด้วยเช่นกันวันนี้พลอยนั่งดูลูกๆวิ่งเล่นกันอยู่ใจก็หวนนึกไปถึงเรื่องเก่าๆที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตขณะนั้นรถเจ็กคันหนึ่ง วิ่งเข้ามาจอดที่หน้าประตูบ้านผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งนุ่งห่มสีไม่ฉูดฉาดสมกับวัยก้าวลงมาจากรถมือถือห่อกระดาษห่อหนึ่งหญิงคนนั้นชำระอัดค่าโดยสารแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านพล่อยนั่งอยู่อย่างไม่สนใจนึกว่าคงมาหาคนอื่น หญิงคนนั้นก้าวเข้ามาในประตูบ้านหยุดมองเลี้ยวซ้ายแลขวาอยู่ครู่หนึ่งพอแลเห็นพลอยก็ยิ้มแล้วก็เดินตรงเข้ามาหาตะวันตอนบ่ายส่องตรงหน้าหญิงคนนั้นพอดีทําให้แลเห็นหน้าไม่ได้ถนัดพลอยยกมือขึ้นป้องหน้าดูอยู่ครู่หนึ่ง แล้วพลอยก็ต้องลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วแทบจะกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจพลอยร้องตะโกนออกไปว่าคุณเฉยคุณเฉยหัวเราะเดินตรงเข้ามาถึงพลอย คุณเชยเองก็ดีใจที่ได้พบน้องสาวอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันพรอยเอื้อมือออกไปจับแขนคุณเชยจับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ฝันไปหรือตาฝาดไปโทคุณเชยหายไปไหนมาตั้งหลายปีฉันคิดถึงออกจะตายไปจะไปหาก็ไปไม่ถูก คุณเฉยสุดตัวลงนั่งแล้วก็ฉุดแขนพลอยให้นั่งลงข้างๆแล้วก็เริ่มหัวเราะแล้วก็ร้องไห้พร้อมๆกันไปด้วยความดีใจอีกสครู่คุณเฉยจึงพูดออกมาได้เป็นคำแล้วก็บอกว่าแม่พรอยฉันก็คิดถึงแม่พลอยใจจะขาดเหมือนกันแม่พรอยสบายดีเหรอ ขอน้ำพี่กินสักอึกหนึ่งเถิดเรื่องมันมากอีกสักครู่หายเหนื่อยแล้วพี่จะเล่าให้ฟังพลอยก็เรียกเด็กให้หาน้ำ ม, มาให้คุณเชยแล้วก็นั่งยิ้มดูหน้าพี่สาวคุณเชยก็ถามถึงเด็กที่วิ่งเล่นอยู่ต่อหน้าพลอยก็บอกว่าเป็นหลานคุณเชยก็เรียกหลานเนี่ยมากอดอรัดทีละคนพอมาถึงตาออดคุณเชยก็บอกว่า ฉันปรักคนนี้มากเสียแล้วล ะ, ละแม่พลอยแหมดูหุิพ่อมาถึงก็เริ่มลำเอียงทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ฉันปล่อยแก่เสียแล้วแม่พลอยอย่าถือสาฉันเลยนะพลอยสังเกตดูรูปร่างหน้าตาคุณเชยก็พบว่าคุณเชยนั้นผอมแล้วก็ดำลงไปกว่าแต่ก่อนที่เห็นได้ชัดก็คือมือของคุณเชยไม่ได้เล็กเรียวเหมือนสมัยที่ยังอยู่บ้าน แต่เป็นมือของคนที่ทำงานหนักเพราะว่าหนาขึ้นแล้วก็ข้อตามนิ้วแตกทุกข้อถึงคุณเชยจะผอมแล้วก็ดำลงไปกริยาอาการของคุณเชยก็ยังดูกระปรีก้กระเปราแสดงว่าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนที่สำคัญในแววตาของคุณเชยนั้นมีประกายที่แสดงให้เห็นว่าคุณเชยมีความสุขในชีวิตคือดูจนดูลาบากแต่ดูมีความสุขมีชีวิตชีวา คุณเชยยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าหายไปไหนมาตั้งหลายปีปล่อยให้ฉันคิดถึงเสียย่ำแย่ทีเดียวฉันออกจากบ้านไปตอนแรกฉันก็ไปอยู่ที่ถนนตะนาวกับคุณหลวงเขานั่นแหละแรกๆฉันก็คิดว่าจะมาหาแม่พลอยเหมือนกันแต่ธุระมันมากมีอะไรต่ออะไรจะต้องทำอยู่เรื่อยไปฉันก็ผัดวันประกันพรุ่งไปวันแล้ววันเล่าแล้วมันก็กลายเป็นเดือนกลายเป็นปีระหว่างนั้น ก็ไปบ้านนอกกับคุณหลวงเขาบ้างก็เลยดูหายไปนานแต่เดี๋ยวนี้พอจะมีเวลาหายใจได้บ้างแล้วละต่อไปฉันจะมาหาบ่อยๆถ้าไม่พ้อยไม่รังเกียจคุณเชยพูดอะไรอย่างนั้นฉันจะไปรังเกียจได้ยังไงกันมีแต่นั่งคิดถึงคุณเชย อ, อยู่เรื่อยๆคุณเชยเล่าให้ฉันฟังให้ละเอียดอีกสักหน่อยหนึ่งเถิดเพราะคุณเชยไปทาอะไรมาฉันอยากรู้คุณเชยก็เลยเล่า ว, ว่า เรื่องมันมากนะแม่พลอยฉันก็ไม่รู้จะจดจํามาเล่ายัางไงถูกวันแรกที่ฉันออกจากบ้านไปคุณหลวงเขาก็พาไปที่บ้านเขาทีเดียวพอเห็นบ้านเขาฉันก็ใจหายแทบจะนั่งลงร้องไห้บ้านเขาอยู่ในตรอกเป็นเรือนปั้นหยาเก่าๆมีบ้านคนอื่นปลูกอยู่ติดๆกันอีกหลายหลังอย่างที่เขาเรียกกันว่าไก่บินไม่ตกนั่นแหละ เวลาเดินเข้าไปก็ต้องเดินสะพานไม้เก่าๆยืดยาวเวลาอยู่บ้านจะพูดจะจาจะทำอะไรชาวบ้านเขาก็ต้องเห็นต้องได้ยินบ้านอื่นเขาจะพูดอะไรกันเราก็ได้ยินเหมือนกันเขาด่ากันเจ้าเจ้าวั น, นังาค่ำแต่ทุนบ้านก็แสนจะสกปรกมีแต่น้ำครัมส่งกลิ่นตลบอบอวนฉันไปถึงแต่แรกพอเห็นบ้านก็คิดถึงตัวแทบจะนั่งลงร้องไห้ที่ตีนก็ได้ละ แต่เพราะรักแล้วก็สงสารคุณหลวงฉันก็เลยต้องทนเอาพอขึ้นบ้านไปก็เห็นแต่ความรกเหมือนกับรังหนูเพราะเมียเก่าคุณหลวงเขาตายไปนานแล้วคุณหลวงอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยดูแลมันก็เลยเป็นอย่างนั้นฉันต้องรบกับความสกปรกความรกรุงรังอยู่ตั้งเกือบสามเดือนจึงค่อยดูได้แต่คุณหลวงเขาก็ดีหรอกนะเอาใจฉันทุกอย่าง เงินทองของฉันเขาก็ไม่ยอมแตะเขาว่าเดี๋ยวจะมีคนนินทาว่าพาฉันมาปอกลอกแต่ก็นั่นล่ะเงินเดือนที่ได้มันก็ไม่พอฉันก็ต้องแอบชักส่วนของฉันออกจ่ายไม่ให้คุณหลวงรู้มันก็พอประทังไปได้แต่ฉันก็ทำอะไรเสียเองหมดเกือบทุกอย่างไม่มีบ่าวไพร่จะใช้อย่างคนอื่นเขาเวลามันก็เลยไม่มีจะไปไหนมาไหนปีแรกทั้งปี ฉันเกือบจะไม่ได้โผลไปไหนเลยนอกจากไปตลาดซื้อกับข้าวแต่แรกๆฉันก็นึกอายเพราะไม่เคยทำเคยเป็นลูกพระน้ำพระยาจะกระเดียดกระจาดไปจายตลาดมันก็รู้สึกชอบก้นแต่แล้วมันก็เคยไปเองเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้คนเดียวไม่ต้องมีคนตามหลังเหมือนเมื่อก่อนก็อยู่กันไปอย่างนั้นแหละแม่พลอยบางวันก็ทุกข์น้าตาแทบจะเช็ดหัวเขา บางเวลาก็เหนื่อยแทบสายตัวจะขาดแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นไม่เคยมีถ้าจะว่ามันเป็นสุขมันก็สุขเราอยู่กันอย่างคนจนไม่ได้ฟุ่มเฟือยเหมือนเขาอื่นพอสิ้นแผ่นดินได้สักหน่อยเขาก็ยุบกรมหมอคุณหลวงก็เลยคว้างนอนอยู่กับบ้านเฉยๆตอนนี้ลหละที่เริ่มจะอัตคัดจริงๆปวหนักเข้าฉันก็เลยหนุนให้คุณหลวงเขาทายาขายเพราะว่าตำรับตาราเขาก็มี แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่มีทุนฉันจะเอาเงินของฉันออกเขาก็ไม่ยอมต้องเถียงต้องอ้อนวอนกันอยู่นานแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วเพราะหาอาดได้พอกินพอใช้ไปวันหนึ่งหนึ่งคุณเชอ์หยุดกินมากแล้วก็เล่าชีวิตต่อว่าหลังจากนั้นคุณเชอก็ต้องช่วยสามีบทเครื่องยาแล้วก็ปั้นเม็ดยาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนคือต้องช่วยทายาขาย มีการจ้างเด็กมาช่วยอีกสองคนยิ่งขายยาได้มากก็ยิ่งเหนื่อยมากนานๆก็ต้องออกเป็นนอกกับคุณหลวงเอายาไปขายบ้างซื้อเครื่องยาสมุนไพรบ้างซึ่งซื้อได้ถูกกว่าในกรุงเทพระยะหลังๆก็พอจะเริ่มมีกำไรเหลือคุณเฉยก็เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ได้บ้าง แล้วก็ปัจจุบันคุณหลวงก็เช่าตึกแถวอยู่ที่ริมถนนข้างล่างเปิดเป็นร้านขายยาคุณเชยก็เลยย้ายไปนอนที่นั่นจะได้ดูแลร้านได้สะดวกพลอยฟังแล้วก็ใจหายไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าคุณเชยพี่สาวของตนซึ่งเป็นลูกพระน้ําพระยาเคยอยู่บ้านใหญ่มีบ่าวไพร่บริวารมากมายจะต้องไปอยู่ห้องแถวขายายาอยู่ริมถนนถ้าเป็นพลอย บางทีพลอยอาจจะไม่รู้สึกแปลกใจเพราะว่าชีวิตของพลอยพูดง่ายๆก็เป็นลูกเมียน้อยแล้วก็ลำบากมาตั้งแต่เด็กถ้าไม่ได้ไปอยู่กับเสด็จก็คงแย่เหมือนกันแต่คุณเชยนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พูนสุขมาตลอดนะคะคือไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะพลิกผันไปได้ถึงขนาดนั้นพลอยอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของคุณเชยมากกว่าที่คุณเชยเล่าอยากจะถามแต่ก็เกรงใจ ได้แต่ถามเรียบเียงเคียงว่าคุณเชยขายยาได้ดีอยู่เหรอก็อย่างนั้นแหละแม่พลอยมันก็พอกินพอใช้ไปวันๆหนึ่งแต่จะเอารุ่มเอารวยนั้นคงไม่ได้อ่ะนี่งไงฉันเอามาฝากเพราะเห็นแม่พลอยมีลูกมากพวกนี้ยาหอมแล้วก็ยาลมยาแก้วิงเวียนเวลาตั้งท้องใหม่ๆกินไว้บ้างก็ดีพวกนี้ยาถ่ายยาแก้ไข้ สำหรับลหลานๆเจ็บไข้ขึ้นมาจะได้หยิบฉวยได้ทันท่วงทีฉันก็พูดราวกับเป็นหมอซะเองความจริงก็เป็นแต่เมียหมอเท่านั้นและเวลานี้ก็หาคนไข้า ย, ยากเสียด้วยคนไขด้ดีๆเขาก็หันเข้าหาหมอฝรั่งกันมากขึ้นทุกวันหรือแต่คนยากคนจนที่มารับคุณหลวงไปรักษาหรือแม่เจียดยาพวกนี้อัดรถอะไรก็ไม่ค่อยจะมีให้หรอกบางทีคุณหลวงเขาก็ต้องรักษาให้เปล่า แต่ก็ช่างเถอะนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยังพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปคุณเฉยมีลูกบ้างหรือเปล่าถ้ามีฉันก็ต้องพามาด้วยแน่แน่ไม่มีรอบไม่พร้อยฉันเหมาอวาว่าคุณหลวงเป็นหมันเพราะกับเมียคนก่อนที่ตายเขาก็ไม่มีลูกฉันเองอยากมีเหมือนจะตายไปแต่จะทํายังไงได้แต่คิดไปอีกทีก็ดีเหมือนกันฉันกับคุณหลวงก็ยังยา ก, ยากจนจน มีลูกก็อยากเลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้ดีไม่ได้ก็อย่ามีซะดีกว่าคือจะว่าไปชีวิตของคุณเฉยนี่ก็น่าเห็นใจนะคะเหมือนกับนางฟ้าตกสวรรค์หรือว่าคุณหนูตกยากแต่ว่าคุณเฉยพูดถึงความจนอย่างเป็นของธรรมดาไม่ปรากฏว่ามีความน้อยเนื้อต่ำใจหรือมีความทุกข์โทมนัสซ่อนเร้นอยู่ในใจเลยแม้แต่น้อย ความจนก็ดีฐานะปัจจุบันร่วมกับคุณหลวงก็ดีเป็นสภาพที่คุณเชยรับเอาโดยปราศจากความข้องใจหรือความรังเกียจคุณเฉยพูดถึงความจนโดยปราศจากความเกรงกลัวและพลอยก็รู้ดีว่าสําหรับคุณเฉยนั้นความจนหรือความเป็นเศรษฐีไม่สามารถจะเปลี่ยนนิสัยใจคอหรือลักษณะอันแท้จริงได้จะมีหรือจะจนคุณเชยก็ยังเป็นคุณเชยอยู่นั่นเอง พลอสังเกตดูกิริยาท่าทางตลอดจนวิธีแต่งเนื้อแต่งตัวของคุณเชยก็ยิ่งเห็นได้ชัดคุณเชยเคยอยู่บ้านที่ใหญ่โตมีค่าทาาบริวารมากจะทําอะไรหรือไปไหนก็ไปอย่างลูกผู้มีบรรดาศักดิ์กับพลอยซึ่งเป็นลูกเมียน้อยนั้นคุณเชยวางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่โอบอ้อมอารีตลอดมาแล้วก็ไว้ตัวว่าเป็นพี่สาว ตการเวลาและเหตุการณ์กลับฐานะของพลอยและคุณเชยเสียสิ้นตอนนี้พลอยอยู่ตึกใหญ่โตกว่าบ้านเดิมมีเงินทองทรัพย์สมบัติมั่งคัง่งมีสามีเป็นคุณพระยังอยู่ในราชการแล้วก็มีหวังที่จะได้ดีต่อไปส่วนคุณเชยเป็นภรรยาคุณหลวงนอกราชการอาชีพทำยาขายอยู่ห้องแถวแล้วก็ต้องหับใส่ปากใส่ท้องไปวันๆหนึ่ง จะมาเยี่ยมน้องสาวคุณเชยยังต้องมารถลากแต่คุณเชยก็วางท่าทางเป็นปกติเหมือนเมื่อก่อน mm hmm. เคยเป็นพี่ที่ให้ความรักความอารีต่อ น, น้องสาวอย่างสนิทสนมอย่างไรก็คงทาต่อไปอย่างนั้นมีได้ลดตัวหรือว่าถ่อมตัวให้ต่ำกว่าพลอยเพื่อประจบประแจงเอาใจแล้วก็ไม่ได้ไว้ตัวเย่อหยิม หรือปิดบังฐานะเครือบแคลงความยากจนของตนเองแต่ประการใดเหมือนกับว่าตอนรวยกับตอนจนคุณเชยก็ยอมรับได้ด้วยท่าทีปกติเหมือนกันความจนมิได้ทำให้คุณเชยดูถูกตัวเองหรือดูถูกคนอื่นความลำบากมิได้ทำให้คุณเชยสงสารตัวเอง หรือว่าอิจฉาเครียดแค้นคนอื่นที่สบายกว่าความจนมิได้ทำให้คุณเชยลดตัวเองลงไปจากระดับเดิมแห่งสภาพของจิตใจความรู้สึกนึกคิดคุณเชยมองดูความจนและการเปลี่ยนแปลงแห่งฐานะของตนด้วยจิตใจอันแข็งแกร่งกล้าหาญสมกับเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่ได้กล้าหาญสู้ศึกสงครามมาแต่ก่อนความจริงที่สุดที่พลอยรู้อยู่แก่ใจวันนี้ก็คือสาหรับคุณเชยนั้น ความจนมิใช่โรคหรือรังที่รักษาไม่หายเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ต่างเข้ามาอยู่ใกล้ๆพลอยกอดแขนขาบ้างแย่งกันนั่งตักบ้างทุกคนมองดูคุณเชอยอย่างสนใจพลอยสั่งให้กราบไหว้และก็บอกให้รู้ว่าคุณป้าเชยเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทุกคนจะต้องเคารพรักตลอดไปคุณเชยเปิดทีบมกักสารเก่าๆที่ถือมา แล้วก็หยิบเอาสร้อยคอเส้นเล็กๆมีที่ทองคำลงยาอันหนึ่งออกมาพูดว่าฉันรู้ว่าแม่พลอยมีลูกอีกคนนึงแต่ยังไม่ได้ทำขวัญเลยวันนี้มาทั้งทีจึงเอาของติดมาด้วยตาออดมานี่มาหาป้าหน่อยและคุณเฉยก็เอาสร้อยคอสวมให้ตาออดกอดจูบตาออดด้วยความรัก แต่ออสก็ดูเหมือนจะรู้ได้ด้วยยานว่าคุณเชยเป็นป้าที่ใจดีพอได้โอกาสก็นั่งเล่นอยู่บนตักคุณเชยไม่ลุกเป็นไหนพลอยมองดูคุณเชยเอาของให้หลานก็สะท้อนหัวใจจำได้ว่าสายสร้อยและชี้เป็นของเก่าที่คุณเชยเอาติดตัวมาจากบ้านสะท้อนใจว่าถึงแม้จะยากจนลงไปแต่คุณเชยก็ทำขวัญหลานด้วยใจบริสุทธิ์มิได้นึกเสียดายของ จึงถึงจะมีค่าเล็กน้อยสำหรับพลอยแต่ว่าอาจจะมีค่ามากสำหรับคุณเฉยก็ได้นะขณะนี้นะคะแต่คุณเชยก็ยังมีแก่ใจนึกถึงลูกของพลอยและเมื่อมาหาเป็นครั้งแรกก็ไม่ได้มามือเปล่าพลอยรู้สึกตื้นตันด้วยความเห็นใจคุณเชย อยากจะตอบแทนให้สมรักแต่พลอยก็รู้ดีว่าสำหรับคุณเฉยนั้นนอกจากความรักพลอยก็ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนให้ได้คุณเฉยเคยให้ของพลอยมาตั้งแต่พลอยมีฐานะต่ำกว่าถึงเดี๋ยวนี้คุณเฉยก็ยังเป็นฝ่ายให้และจะยังให้อยู่ตลอดไปจนกว่าคุณเฉยจะตายโดยไม่เคยนึกจะเอาสิ่งใดตอบแทนเลย ระหว่างที่คุณเชยนั่งคุยอยู่กับพลอยคุณเปรมก็กลับมาจากในวันเดี๋ยวนี้คุณเปรมกลับบ้านทุกวันเวลาบ่ายไม่ต้องอยู่เบนเหมือนเมื่อครั้งยังเป็นหนุ่มคุณเปรมเดินตรงเข้ามาที่พลอยโดยไม่รู้ว่าใครนั่งอยู่ด้วยจนใกล้เกือบจะถึงตัวคุณเปรมจึงหยุดมองดูคุณเชยพอจำได้คุณเปรมก็ก้มตัวยกมือไหว้ คุณเชยผมนึกว่าใครซะอีกหายไปนานทีเดียวคุณเปรมทักทายกับคุณเชยอย่างญาติที่ไม่ได้เจอกันนานสักครู่หนึ่งคุณเปรมก็ขอตัวว่าจะขึ้นไปอาบน้ําผลัดผ้าพอคุณเปรมลับตัวไปบนตึกพลอยก็ถามพี่สาวเบาๆว่าคุณเชยเห็นคุณเพรมเป็นอย่างไรบ้างเอ้ก็มีเห็นเป็นอย่างไรนี่แม่พลอย ดูเธอก็แข็งแรงดีอยู่ฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นฉันหมายถึงว่าคุณเคยสังเกตเห็นหรือเปล่าว่าคุณเปรมเปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนฉันว่าก็ดูมีอายุขึ้นแต่ฉันกลับดูว่ากระปี้กระเป๋าและก็ดูเป็นหนุ่มกว่าแต่ก่อนนะนั่นสิที่ฉันอยากรู้ก็ตรงนี้แหละฉันลึกว่าฉันเห็นไปคนเดียวบางเวลา ฉันดูดูคุณเปรมแล้วก็แปลกรู้สึกว่าเธอชักจะหลุกหลิกไม่เป็นผู้ใหญ่หนักแน่นเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าฉันจะแก่ลงไปเองก็ไม่รู้นะอย่าพึ่งนึกมากไปนักเลยแม่พลอยมีผัวแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้กลับไม่ชอบเรื่องกิริยาท่าทางเนี่ยฉันดูคนเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นไม่เหมือนเมื่อเรายัางเด็กๆแต่นั่นแหละนะเวลามันล่วงไปทุกวันอะไรๆมันก็ต้องเปลี่ยนไปตาม เราจะไปนึกว่าทุกอย่างจะต้องอยู่เหมือนเก่านั้นมันก็ไม่ได้หรอกแม่พรอยเป็นคนชอบคิดมาตัเด็กก็ดีหรอกแต่บางเวลามันก็ทำให้เราวิตกกังวลไปได้ต้องทำใจเฉยๆสบ้างนั่งคุยกันอีกสักพักหนึ่งคุณเฉยก็กลับไปพรอยรู้สึกโล่งใจดีใจที่ได้พบคุณเฉย แล้วก็ได้รับคํามั่นสัญญาจากคุณเชยว่าจะกลับมาหาอีกบ่อยๆเราก็ได้รับคํามั่นใจจากคุณเชยอีกหลายอย่างในเรื่องทั่วๆไปทำให้พลอยสบายใจขึ้นคือพลอยนี่ก็เป็นคนที่ไม่ก็จะมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่ในขณะที่คุณเชยเนี่ยเป็นคนที่ก็ต้องบอกว่าเป็นสาวมั่นนะเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนอีกคนหนึ่งนะคะที่พลอยอยังสนิทสนมอยู่ แต่ว่านานๆได้พบกันครั้งก็คือชอยคุณฟางคงจะอยากรู้ว่าแล้วชีวิตของช้อยเนี่ยเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว่าเสด็จจะสิ้นพระชนไปแล้วช้อยก็ยังคงอยู่ที่เดิมคือที่ตำหนักในวังนะคะโดยอยู่กับคุณสายทีนี้หลังจากเสด็จสิ้นพระชนข้าหลวงส่วนมากที่มีญาติพี่น้องต่างก็กลับกันไปอยู่บ้านญาติบ้านพี่น้องของตัวเองนะคะ บางคนก็ไปรับราชการเป็นพนักงานหรือว่าทํางานอื่นๆในพระราชฐานแต่ว่าคุณสายเนี่ยยังคงอยู่ที่ตําหนักสองคนกับช้อยในห้องเก่าเชั้นบนของตําหนักนั้นปิดเงียบแม้แต่ชั้นล่างก็ปิดเอาไว้เป็นส่วนมากทุกครั้งที่พลอยเข้าไปเยี่ยมคุณสายในวังพลอยจะต้องใจหายด้วยความคิดถึงความหลังเสมอ สถานที่ที่เคยรู้จักคุ้นเคยสถานที่ที่เคยเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงความหลังที่ผ่านไปแล้วไม่มีวันกลับมาอีกคือพอกลับไปและเห็นความเปลี่ยนแปลงพลอยก็ใจหายมากละคะ่ะช้อยอยังคงอยู่กับคุณสายแล้วก็ยังเป็นคนที่พูดจาตลกขนองเหมือนเก่า แต่ชอยก็มีอาการซุดโทมลงไปเหมือนกับบรรยากาศโดยทั่วไปในวังนะคะคือถึงแม้ว่าบุคลิกภาพจะยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยก็แก่ลงไปแล้วก็โซมลงไปแม้แต่เวลาที่ชอยกำลังนั่งหัวเราะแล้วก็พูดคุยอย่างสนุกสนานเหมือนก่อนพลอยก็สังเกตเห็นได้ว่าในแววตาของชอยก็มีความไม่แน่นอนใจในอนาคตปรากฏอยู่ในนั้น ชอยเปลี่ยนสภาพจากสาวเป็นผู้ใหญ่ส่วนคุณสายก็เป็นคนแก่ลงไปจริงๆต้องคอยพึ่งพาอาศัยชอยผู้เป็นหลานแล้วก็หลายครั้งพลอยก็เห็นชอยปฏิบัติกับคุณสายเหมือนกับว่าคุณสายเป็นเด็กครั้งหนึ่งชอยพูดกับพลอยว่าพลอยจำได้ไหม ฉันเคยบอกพลอยไปแล้วที่สวนดุสิตว่าของต่างๆที่เราเคยเห็นจะต้องหมดไปวันหนึ่งจาได้สิชอยแล้วยังไงเดี๋ยวนี้ก็หมดไปแล้วอะไรต่ออะไรมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนฉันเองก็ยังปกอยู่ที่นี่ไปไหนไม่รอดเห็นจะต้องอยู่อย่างนี้ไปจนตายเหมือนกับคนเก่าๆที่เราเคยเห็นอยู่ในวังมาตั้งแต่เด็กๆชอยก็ยังไม่แก่อะไรนักนาะ พลอยพูดไม่ทันจะจบชอยก็พูดสอดขึ้นว่า aa, ถ้าพลอยนึกว่าฉันคิดจะออกไปมีผัวเหมือนคนอื่นก็เลิกคิดเสียเถิดฉันไม่ทำหรอกเพราะอย่างหนึ่งฉันทิ้งคุณอาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งฉันมันเหมือนนกที่เขาเลี้ยงไว้ในกรงจนเคยถึงจะปล่อยจากกรงก็ไปไม่รอดและถ้าจะว่ากันไปจริงๆคนอย่างฉันถึงจะคิดเรื่องอย่างนั้นมันก็ช้าไปเสียแล้ว เมื่อยังสาวๆก็นึกว่าตัวดีไม่คิดจะง้อใครไม่มองใครแต่พอถึงเดี๋ยวนี้ก็คงจะไม่มีใครเขามองจริงๆนะพลอยฉันมันนึกดูเดี๋ยวนี้ก็ดีใจที่เมื่อยังเป็นเด็กและตอนเป็นสาวฉันชอบทําบุญกับคนแก่ไว้มากต่อไปเวลาฉันแก่ลงก็จะได้มีคนมาทําบุญกับฉันบ้างช้อยเป็นคนที่ใจแข็ง ตั้งแต่ยังเป็นสาวมาจนอายุมากแล้วก็ไม่ยอมบอกเพื่อนฝูงให้รู้ถึงความทุกข์ยากลำบากของตัวทุกครั้งที่พลอยถามถึงความรู้สึกของชอยที่มีต่อชีวิตชอยก็มักจะเห็นเป็นเรื่องขบขันแล้วก็ชวนพูดเล่นเสียเสมอไปพลอยก็เลยไม่สามารถจะรู้ความรู้สึกนึกคิดอันแท้จริงของชอยได้และนานเข้าธุระทางบ้านของพลอยก็มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เพราะมีลูกทั้งสาคนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างช้อยกับพลอยก็เริ่มจะห่างๆกันออกไปพลอยก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปหาชอยในวังบ่อยนักเพราะว่าเสด็จก็สิ้นพชนเสียแล้วชอยเองก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาหาพลอยที่บ้านการพบปะระหว่างคนทั้งสองก็เป็นแต่นานๆครั้งก็มาเจอกันทีชีวิตของพลอยในระยะต้นแผ่นดินที่สองก็เรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่สงบ พลอยก็ได้แต่นั่งดูแลบ้านให้เรียบร้อยดูลูกซึ่งเป็นเด็กผู้ชายสามคนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆชีวิตของผู้หญิงในสมัยนั้นดูเหมือนจะถอยไปอยู่ข้างหลังมิได้รุ่งเรืองแล้วก็ออกหน้าออกตาเหมือนกับแผ่นดินก่อนเออก็แปลกดีนะคะงานราชการต่างๆที่มีในระยะนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่ผู้หญิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าไหรนะ่นัก คุณเมเวลาไปงานไปการต่างๆก็มักจะไปแต่ผู้เดียวไม่ชวนพลอยให้ไปด้วยซึ่งพลอยก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะใจจริงนั้นยินดีที่จะอยู่กับลูกที่บ้านมากกว่าเวลาล่วงไปทุกวันใกล้กำหนดที่พลอยจะต้องคลอดลูกคนที่สามซึ่งกา ร, ตรเตรียมต่างๆนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของง่ายไปแล้วนะคะ เพราะว่าได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วถึงสองคนก็ย่อมจะรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรพลอยนึกถึงการคลอดลูกอย่างอารมณ์เฉยเฉยปราศจากความตื่นเต้นเกรงกลัวสำหรับลูกคนที่สามพลอยมีความรู้สึกอยู่แต่เพียงอย่างเดียวก็คือขอให้ได้ลูกเป็นผู้หญิงแล้วก็นึกภาวนาให้ได้ดั่งที่ตั้งใจอยู่ทุกขณะคุณเตรมเคยให้คาแนะนาเกี่ยวกับการคลอดลูกคราวนี้ว่า พลอยควรจะไปฝากท้องกับหมอฝรั่งแต่พลอยก็ไม่ยอมเพราะการที่จะให้มีผู้ชายมาอยู่ในห้องเวลาคลอดนั้นพลอยเห็นว่าเป็นไปไม่ได้และการรักษาพยาบาลตามแบบหมอฝรั่งพลอยก็เห็นว่าเป็นของที่น่ากลัวมากเรื่องนี้พลอยจึงไม่สามารถที่จะข่มใจให้คล้อยตามคําแนะนําของคุณเปรมได้อีกอย่าง พรอยก็ได้คลอดลูกและก็อยู่ไฟตามแบบโบราณมาแล้วถึงสองคนก็ไม่ได้มีอะไรคลุกคลักหรือว่าอันตรายพรอยก็เลยยืนกานไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคุณเปรมก็เลยต้องนิ่งแล้วก็ไม่คาดคานอะไรต่อไปแต่ปรากฏว่าท้องนี้ไม่เหมือนท้องก่อนๆสิ่งที่พรอยคาดไม่ถึงก็คือความเจ็บปวดทรมานอย่างมากที่สุดการคลอดบุตรไม่ได้ง่ายเหมือนกับคราวก่อน นับตั้งแต่ขณะแรกที่รู้สึกเจ็บความเจ็บนั้นก็รุนแรงแปลกประหลาดกว่าคราวก่อนๆพลอยต้องนอนทรมานอยู่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเต็มๆรุ่งคืนอีกวันหนึ่งก็ยังไม่มีท่าทางที่จะพ้นจากการทรมานนั้นหมอตำแยที่รับมาก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้น้ำมน้นำสะเดาะจากที่ไหนที่ว่าดีก็มีคนไปหามาให้แต่ก็ไม่ได้ผลหนักเข้าผู้หญิงหลายคน รวมทั้งหมอตแยก็เริ่มร้องไห้ส่วนพลอยนั้นก็นอนรับความเจ็บปวดที่เพิ่มหนักขึ้นทุกทีกำลังกายก็ดูเหมือนจะออกจากกร่างไปเรื่อยๆเสียงนางพิษซึ่งตอนนี้ก็แก่มากแล้วก็ได้แต่ร้องไห้เบาๆแล้วก็ภาวนาอยู่ใกล้ๆในที่สุดพลอยก็ไม่มีสติที่จะจดจำอะไรได้มากรู้แต่ว่าความเจ็บปวดนั้นมีได้ส่งซาลงไปเลย หูอื้อทั้งสองข้างไม่ได้ยินเสียงใดถนัดตาที่หลับอยู่ก็มองเห็นแต่แสงสีเขียวสีแดงเหมือนกับผีพุ่งใต้ตลอดเวลานี้พรอยได้แต่นึกว่าจะต้องทนต่อไปเพราะจะได้ลูกผู้หญิงและความเจ็บปวดที่ผิดกว่าคราวอื่นๆนี้อาจเป็นสัญญาณบอกว่าลูกคนที่จะเกิดคนนี้จะต้องเป็นผู้หญิงจริงๆอย่างที่นึกอยู่เสมอ แต่ความเจ็บปวดนั้นก็เพิ่มขึ้นมากมายเกินกว่าที่พรอยจะทนได้พรอยหมดสติไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลากลางคืนพลอยนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนที่จุดไฟสว่างความเจ็บปวดต่างๆหายไปสิน้นเหลือแต่ความอ่อนเพลียและความกระหายน้าพลอยขอน้ํำกิน ด้วยความหิวกระหายคุณเปรมถือกาแก้วใส่น้ำเข้ามาถึงตัวแล้วก็ค่อยๆรินน้ำเข้าปากของพลอยฝรั่งคนหนึ่งตัวสูงมีหนวดเคราเดินเข้ามายืนยิ้มกับพลอยจับข้อมือตรวจชีพจรพลอยเหลือบมองดูตาคุณเปรมอยากจะถามเรื่องราวให้รู้ความว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเปรมก็เลยกระซิบบอกว่า หมอฝรั่งฉันไปรับมาเองถ้าไม่ได้แกก็จะลำบากเพราะเด็กไม่ออกต้องใช้เครื่องมือเคราะดีเหลือเกินที่ไปตามเขามาทันไม่พรอยนอนนิ่งๆเอาแรงเถิดหมอฝรั่งค่อยๆวางข้อมือของพรอยลงบนที่นอนข้างๆตัวยิ้มพยักหน้ากับพรอยแล้วก็หันไปพูดกับคุณเปรมคุณเปรมหันมาบอกว่าหมอแกบอกว่า แม่พลอยนอนสึกอีกตื่นก็จะค่อยยังชั่วขึ้นมากพลอยถามถึงลูกคุณเปรยมยิ้มก่อนจะตอบว่าเป็นผู้หญิงแข็งแรงสบายดีสมกับที่แม่พลอยอยากได้ทีเดียวพลอยรู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นทันทีด้วยความสุขและความพอใจถอนหายใจยาวอย่างมีความสุขแล้วบอกว่าประภัยลูกแม่แล้วอีกครู่หนึ่ง ก็หลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนพรอยมารู้ทีหลังว่าหลังจากประภัยเกิดแล้วพรอยไม่สามารถจะมีลูกได้อีกต่อไปเพราะการคลอดบุตรครั้งนี้ร่างกายของพรอยถูกทรมานจนบอบช้ำเกินไป และหลังจากประภัยเกิดพลอยก็ต้องป่วยไปอีกหลายเดือนจนร่างกายผายผอมกำลังวังชาก็ลดน้อยลงไปกว่าแต่ก่อนนางพิษก็บอกว่าเป็นเพราะคุณออกคุณประภัยแบบฝรั่งไม่ได้อยู่ฟื้นอยู่ไฟเลือดมันก็เลยทําเอาแต่จริงๆพลอยก็รู้แล้วค่ะว่าเพราะคุณเปรมไปรับหมอฝรั่งมาทันตนจริงได้รอดชีวิตมาได้ ระหว่างที่พลอยเจ็บนั้นคุณเปรมก็เอาใจเป็นอย่างดีวันหนึ่งๆก็มานั่งเป็นเพื่อนอยู่ข้างที่นอนเป็นเวลานานๆจนพลอยเห็นว่าในใจจริงนั้นคุณเปรมก็ยังเป็นคุณเปรมคนเก่ามีได้ห่างเหินไปอย่างที่เคยคิดเอาไว้ครั้งหนึ่งคุณเปรมทำทุกอย่างที่จะเอาใจพลอยไม่มีสิ่งใดที่จะยากลำบากเกินไปถึงกับจะหามาให้ไม่ได้ คือพลอยอยากได้อะไรคุณเพลมก็หามาให้พี่น้องเพื่อนฟูญาติมิตรสนิททั้งหลายก็พากันมาเยี่ยมชอยออกมาเยี่ยมจากในวังแล้วก็ออกมานอนค้างเป็นเพื่อนเพราะเพิ่มก็มาเยี่ยมเกือบทุกวันคุณเชยแล้วก็หลวงโอสดก็หมั่นมาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งแนะนำวิธีรักษาตลอดจนอยูยาต่างๆโดยความเมตตาของคนที่พลอยรัก ประกอบกับเวลาอันเป็นยารักษาโรคได้ทุกชนิดพลอยก็ค่อยๆกลับฟื้นคืนดีขึ้นถึงจะเป็นคนที่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่พลอยก็แข็งแรงพอที่จะอยู่กินและดำเนินชีวิตได้ตามปกติพอพลอยยิ่งหายจากอาการป่วยกลับมาเป็นปกติความรู้สึกที่ว่าคุณเปรมเริ่มจะห่างเหิน ก็กลับเริ่มมีขึ้นอีกถ้าจะดูเพียงผิวเผินภายนอกก็เหมือนเดิมคุณเปรมเคยปฏิบัติต่อพลอยอย่างไรก็คงทำอย่างนั้นกิจการภายในบ้านคุณเปรมก็มอบให้แก่พลอยโดยเด็ดขาดไม่ได้มายุ่งเกี่ยวไต่าถามและทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันคุณเปรมก็พูดจาด้วยเป็นอย่างดีเหมือนเคยแต่พลอยก็อดนึกไม่ได้ว่าขาดอะไรไปบางอย่าง ขาดอะไรบางอย่างที่เคยมีมาแต่ก่อนนั่นก็คือสมัยหนึ่งพลอยรู้สึกว่าตนเคยเป็นยอดแห่งความรักความปรารถนาของคุณเปรมไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่าและทุกอย่างในชีวิตเป็นเพียงอุปกรณ์หรือสิ่งประกอบที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณเปรมร่วมกับพลอยดำเนินไปโดยราบรื่นไม่มีความสาคัญเกินไปกว่านั้นเดี๋ยวนี้ ถึงแม้พลอยจะรู้ตัวว่าปนยังไม่หมดความสำคัญสำหรับคุณเปรมแต่ก็ต้องยอมรับว่าชีวิตของคุณเปรมนั้นมีสิ่งอื่นอนอีกมากมายหลายอย่างที่มีความสำคัญไล่ขึ้นมาสมัยก่อนพลอยรู้จักหน้าที่การงานของคุณเปรมและก็รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการต่างๆที่คุณเปรมต้องทำได้ดีเพราะว่าพลอยเองก็เคยเห็นมาด้วยตนเอง และคุณเปรมเมื่อยังหนุ่มก็มักจะนำเรื่องราวแล้วก็ปัญหาต่างๆมาปรารถบหรือว่าเล่าให้ฟังทำนองขอความเห็นคือเวลาที่คุณเปรมทำอย่างนั้นพลอยก็เห็นว่าคุณเปรมเนี่ยยังสนิทสนมแล้วก็มีความสัมพันธ์กับตนอย่างใกล้ชิดแน่นแฟนแต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าที่ราชการของคุณเปรมเปลี่ยนแปลงไปชีวิตภายนอกบ้านกว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าเก่า เดี๋วนี้พลอยแทบจะไม่ได้มีโอกาสทราบรายละเอียดเลยเพราะทุกอย่างเป็นของใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินใหม่คุณเปรมพูดเพียงแต่ว่าการที่จะต้องใช้ชีวิตนอกบ้านมากกว่าเดิมนั้นเป็นผลมาจากความจําเป็นที่จะต้องเข้าสมาคมซึ่งนับว่าเป็นคําใหม่สำหรับพลอยคุณเปรมอธิบายว่าคนในสมัยนี้ถ้าจะก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปในชีวิตก็จาเป็นต้องเข้าสมาคมเป็น และการเข้าสมาคมของคุณเตรมเท่าที่พลอยทราบก็คือการกลับบ้านดึกๆโดยมีกลิ่นสุรากลิ่นควันบุหรี่ติดมาด้วยหรือมิฉะนั้นก็ไม่กลับเลยการพกเงินออกจากบ้านครั้งละมากๆเพื่อเล่นการพนันในสมาคมแล้วก็กลับมากระเป๋าเปล่ารวมไปถึงการบําเพ็ญตนด้วยความรู้ราโอ่อาต่างๆเหล่านี้ คือการสมาคมในทัศนะของคุณเปรมที่พลอยรับรู้แต่พลอยก็รักคุณเปรมเกินไปที่จะขัดใจในสิ่งเหล่านี้แต่ความรักความปรารถนาดีต่อคุณเปรมนั่นเองทำให้พลอยรู้สึกน้อยใจเป็นครั้งคราวเมื่อคุณเปรมแสดงอาการว่าไม่สนใจต่อตนในขณะที่อยู่ด้วยกันพลอยก็รู้สึกว่าความคุ้นเคย ทำให้คุณเปรมเห็นตนเป็นเพียงโต๊ะเก้าอี้หรือว่าของประดับบ้านชิ้นหนึ่งซึ่งถึงแม้จะจำเป็นและขาดเสียไม่ได้ก็ยังเป็นของถาวรไม่เสื่อมสู์ไม่ต้องทะนุถนอมเท่าไหรนะ่นักบางครั้งขณะนั่งคุยกันอยู่สองคนพรอยพูดจาไต่าถามเรื่องราวต่างๆคุณเปรมก็มักมจะให้ความสนใจเพียงแต่ในระยะแรกๆแต่แล้วไม่นานนะักคุณเปรมก็จะปล่อยใจ ไปนึกถึงเรื่องอื่นนั่งเมอมองใช้ความคิดพลอยจะพูดว่าอย่างไรก็ไม่ได้ยินทำให้พลอยต้องตั้งปัญหาถามซ้ํหลาหลายหนถ้าอยากรู้เรื่องหรือถ้าเรื่องที่กาลังพูดไม่สาคัญนักพลอยก็ต้องนิ่งหยุดพูดลงกลางคันปล่อยให้คุณเปรมนั่งนึกอะไรต่ออะไรไปคนเดียวหรือว่าเรื่องลูก ก็เป็นเพียงอีกเรื่องหนึ่งของเรื่องหลายเรื่องในบ้านที่คุณเปรมมอบให้พลอยเป็นสิทธิ์ขาดไม่เขามายุ่งเกี่ยวซึ่งก็ทำให้พลอยต้องรู้สึกน้อยใจแทนลูกเพิ่มเข้าไปอีกว่าคุณเปรมนั้นแทบจะไม่สนใจอะไรเลยกับเรื่องราวในบ้าน ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ลูกๆทุกคนของพลอยกําลังอยู่ในช่วงน่ารักน่าเอ็นดูประภัยลูกสาวคนเดียวของพลอยเป็นเด็กที่เรียกว่าเกิดยากก็จริงแต่ก็เป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่อ้อนไม่ขี้โรคยิ่งโต ก, ก็ยิ่งหน้าตาดีนะคะหน้าตาของประภัยนั้นประพิมพประภัยไปทางคุณเพรมแต่ก็รับเอามรดกความงานจากพลอยเอาไว้ไม่น้อยเมื่อประภัยอายุได้สองขวบ ก็เป็นเด็กน่ารักน่าเอ็นดูใครเห็นใครก็ต้องรักเพราะว่าช่างชอเลาะไปทุกอย่างในขณะที่พลอยเองตอนเป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่ช่างพูดก็นึกว่าสงสัยประไพเนี่ยน่าจะได้นิสัยช่างคุยมาจากแม่ของตนนะคะผู้เป็นยายของประไพส่วนตาอ้อนกับตาอัานก็มีอายุไล่กันเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเช้าขึ้นมาก็ไปโรงเรียนด้วยกัน เย็นลงก็กลับด้วยกันเล่นกันอยู่ด้วยกันไม่มีทางห่างกันได้ส่วนตาออดยังเด็กเกินไปที่จะไปโรงเรียนแต่พรอยก็เริ่มสอนหนังสือให้ที่บ้านประภัยเห็นพรอยสอนหนังสือตาออดก็เข้ามานั่งเรียนด้วยเพราะเห็นเป็นของเล่นที่สนุกซึ่งพลอยก็มีได้ห้ามปรามประภัยจึงเป็นเด็กที่รู้หนังสือได้เร็วผิดกับพี่น้องคนอื่นๆ ก็จะเห็นได้ว่าในบทบาทแม่นี่ก็พลอยเป็นแม่ที่ดีทีเดียวนะคะและพลอยยังรักลูกทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะรักษาความเป็นธรรมไม่ยอมให้เด็กจับได้ว่าลําเอียงเป็นอันขาดแต่ถามได้ว่ า, าถ้าจะถามว่าพลอยมีความรู้สึกสำหรับเด็กแต่ละคนเหมือนกันหรือไม่ก็ไม่เหมือนกันนะคะคือรักเนี่ยพยายามแสดงออกถึงความรักเท่ากันแต่รู้สึกกับแต่ละคนไม่เหมือนกัน สำหรับตโอนซึ่งไม่ใช่ลูกแท้ๆนั้นพลอยให้ความรักความสงสารมากกว่าลูกคนอื่นๆด้วยความรู้สึกที่ว่าตโออนมีใช่ลูกของตัวเองและก็พยายามที่จะปฏิบัติต่อตะอ้นอย่างเทียท่ยงธรรมไม่ให้น้อยหน้าลูกคนอื่นๆปัญหาเรื่องตะอ้นเป็นลูกของใครนั้นไม่มีใครพูดถึงตโอนเรียกพลอยว่าแม่และก็รักพลอยเสมือนหนึ่งมารดาบังเกิดเกล้า ส่วนน้องตะอ้อนทุกคนก็ถือว่าตะอ้อนเป็นพี่ชายแม่เดียวกันไม่เคยมีใครถามหรือแสดงความสงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นตาอ้อนก็เป็นเด็กว่าง่ายแลวก็พยายามเอาใจพลอยทุกอย่างจนบางครั้งพลอยต้องคอยเตือนตัวเองมีให้ลมเอียงไปข้างตะอ้อนมาก ส่วนตาอัน้นลูกชายหัวปีของพลอยนั้นกลับเป็นคนที่มีนิสัยดือ้อมุทะลุเวลากโกรธหรือโมโหก็แสดงอาการรุนแรงได้อยู่มากๆทําให้พลอยต้องรู้สึกหนักใจนะคะต้องคอยอบรมจัดนิสัยอยู่เสมอส่วนตาออดมีนิสัยในตัวบางอยา่างที่ทําให้พลอยรักและเอนดูเป็นพิเศษตาออดเป็นเด็กที่มีอารมณ์ขันพูดจาด้วยถ้อยคําแปลกๆ และของที่ตาออดเห็นว่าคบขันเป็นที่สุดก็คือตัวของตัวเองเพร้อยสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กผู้ชายสามคนนี้ได้ชัดตาอ้นเป็นคนชอบเสียสละถ้าตาอ้นมีของอย่างใดที่น้องอยากได้ตาอ้นก็จะรีบให้ทั้งนี้ก็ใช่ว่าจะไม่เสียดายนะคะแต่ที่ให้เพราะตาอ้นเนี่ยชอบให้ของแก่คนอื่นมากกว่าที่จะเก็บเอาไว้เองส่วนตาอัน้นเป็นคนชอบของของคนอื่น ถ้าของอย่างใดที่มีเหมือนกันหมดตาอั้นมักจะไม่สนใจแต่ถ้าใครมีอะไรที่ตาอั้นไม่มีตาอั้นก็อยากจะได้สิ่งนั้นขึ้นมาทันทีตาอ้นกับตาอั้นนี่ก็ตรงกันข้ามกันเลยทีเดียวคนหนึ่งชอบเอาคนหนึ่งชอบให้ส่วนตาออสแปลกไปอีกแบบหนึ่งค่ะคือไม่ยินดียินร้ายในสิ่งใดมากนะตาออสมีของสิ่งใดอยู่ถ้าพี่น้องจะมาหยิบเอาไปเล่นตาออสก็ไม่เสียดายหรือว่าห่วงห้าม แต่จะไปหาของอื่นมาเล่นต่อไปอีกได้ทันทีโดยไม่กังวลต่อของที่คนอื่นเขามาเอาไปเสียแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะถามใจจริงๆของพลอยนะคะพลอยก็คงจะต้องตอบว่าใจจดจ่ออยู่ที่ประภัยมากกว่าคนอื่นเพราะว่าประภัยเป็นลูกสาวแล้วก็เป็นลูกคนเล็กแถมเป็นลูกสาวคนเดียว และก็เป็นลูกคนสุดท้ายที่พลอยจะมีได้ในชีวิตนี้สาเหตุนี้ก็เป็นธรรมดาที่ทําให้พลอยต้องทะนุถนอมประภัยมากกว่าคนอื่นๆและที่สําคัญประภัยก็เป็นผู้หญิงพลอยมองเห็นตัวของตัวเองเริ่มชีวิตใหม่เริ่มมีวิ ญ, ญญาณใหม่อยู่ในตัวของประภัยนั่นเองและมองดูความสุขความทุกข์และความต้องการต่างๆตามประสาเด็กของประภัยด้วยความเข้าใจ แล้วก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่งแต่ก่อนพลอยเคยมีความคิดความฝันสำหรับตัวเองนึกอยากจะทำโน่นทานีหน่หรืออยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตแต่ว่าตั้งแต่ประภัยเกิดมาพลอยก็ไม่มีความคิดความฝันอย่างนั้นสำหรับตัวเองอีกต่อไปความคิดความฝันสำหรับอนาคตทุกอย่างเป็นของประภัยโดยสิ้นเชิงและถ้าหากว่าพลอยจะทาได้ พลอยก็จะต้องทำให้ประภัยได้รับความสุขในชีวิตยิ่งกว่าที่ตนเคยได้รับและประภัยจะต้องได้รับของทุกอย่างที่พลอยเคยอยากได้แล้วไม่ได้เด็กๆทุกคนสนิทกับพลอยมีสุขก็วิ่งมาหามีทุกข์ก็วิ่งมาหาการกระทำของลูกๆทำให้พลอยมีความสุข แต่สิ่งที่พลอยต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออยากจะให้คุณเปรมเข้ามารับความสุขนั้นด้วยอยากให้คุณเปรมมีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูกแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเปรมกับพลอยแล้วก็คุณเปรมกับลูกๆไม่ได้เป็นไปอย่างที่พลอยต้องการเดี๋ยวนี้พลอยเข้าไม่ถึงคุณเปรมเด็กๆผู้เป็นลูกยิ่งเข้าไม่ถึงมากกว่า ถึงแม้ว่าเด็กทุกคนจะรักและก็บูชาคุณเปรมในฐานะบิดาบังเกิดเกล้าแต่คุณเปรมก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะทำให้เด็กๆ เ, เหล่านั้นเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมได้บางครั้งคุณเปรมนึกจะรักลูกขึ้นมาเริ่มพูดจาปลาัยด้วยแต่เด็กๆ ก, ก็แสดงกิริยาขวยอายเพราะขาดความคุ้นเคยทำให้คุณเปรมหมดความสนใจไม่พยายามที่จะติดต่ออีกต่อไป พลอยพยายามสอนลูกทุกคนให้รักคุณเปรมและก็สนิทสนมกับคุณเปรมเด็กๆ ก, ก็ตั้งใจฟังเชื่อฟังแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำตามแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆคุณเปรมก็มักจะไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเล่นหัวกับเด็กคือไม่มีความเพียรที่จะเข้าถึงหัวใจของเด็กได้ทําให้พลอยต้องรู้สึกผิดหวังอยู่บ่อยๆและบางครั้งก็รู้สึกท้อถอยครั้งหนึ่งพลอยเตือนคุณเปรมด้วยความเกรงใจว่า คุณเปรมอย่าหาว่าฉันสอนเลยนะแต่คุณเปรมควรจะให้ลูกๆแกได้เข้ามาใกล้ชิดตัวคุณเปรมเสียบ้างเด็กๆจะได้ไม่ว้าเหวแม่พรอยคิดมากไปตามเคยเด็กเท่านี้จะไปมีปัญญาคิดอะไรโตขึ้นอีกหน่อยก็คุ้นกับชั้นไปเองนั่นแหละแต่คุณเปรมธรรมดาของเด็กก็อยากอยู่ใกล้พ่อแม่บ้างฉันเคยเป็นเด็กมาก่อนฉันรู้ดี ก, ก็เด็กๆพวกนี้มีแม่พ้อยอยู่แล้วไม่ใช่หรือฉันเป็นแต่เพียงแม่เป็นผู้หญิงบางทีเด็กก็ต้องการอยู่กับพ่อที่เป็นผู้ชายเหมือนกันและถ้าจะพูดกันจากใจเด็กแล้วพ่อดูเหมือนจะสำคัญกว่าแม่เสียอีกในระหว่างที่เด็กกำลังจะเติบโตขึ้นเด็กที่จะติดแม่ก็เป็นแต่เวลาที่ยังเป็นเด็กเล็กๆ เ, เท่านั้นพลอยพยายมามอธิบายแต่คุณเพรมกลักบตอบโต้ ด้วยน้ำเสียงที่แสดงเหมือนความรำคาญเล็กๆฉันถามจริงๆเธอไม่พลอยที่ไม่พลอยพูดอย่างนี้นะ่ะเพราะเด็กมันบน่นหรือไม่พลอยพูดตัวเองพลอยก็รู้ได้ทันทีนะคะว่าคงไม่สามารถจะพูดคุยเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้วพอเจ้าขืนพูดไปก็คงจะต้องเป็นปากเป็นเสียงกันเปล่าๆพลอยเองก็ไม่ใช่คนตอบปากต่อคําหรือว่าจะทําเรื่องให้เป็นเรื่อง พลอยก็เลยต้องบอกว่าฉันคิดเอาเองแหละคุณเปรมบางทีฉันก็อาจจะคิดมากไปจริงๆอย่างที่คุณเปลมว่าคุณเปรมจะถือสาเลยและพลอยก็ชวนคุยเรื่องอื่นในขณะที่ในใจนั้นรู้สึกผิดหวังอย่างมากนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจจะสะท้อนความเป็นจริงของหลายครอบครบัวนะคะ ผู้เป็นพ่อโดยเฉพาะพ่อยุคก่อนก็มักจะมองไม่เห็นความสำคัญในการที่พ่อเนี่ยจะเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับลูกทำให้ลูกๆจำนวนไม่น้อยนะคะเกรงพ่อกลัวพ่อคือรักแต่ไม่สนิททีนี้ในส่วนของคุณเปรมความสนใจของคุณเปรมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ม้าค่ะตั้งแต่ผลัดแผ่นดินใหม่ มีการตั้งกองเสือป่าและเสือม้าขึ้นคุณเปรมก็เข้าเป็นเสือมา้าตอนแรกพลอยก็เห็นด้วยแล้วก็ดีใจเพราะเห็นว่าเป็นการสนองพระราชนิยมเป็นสิ่งที่คุณเปรมควรจะทำและเครื่องแบบเต็มยศของเสือม้านั้นก็ดูสวยงามมีสง่าราศีกว่าเสือป่าเหล่าอื่นๆแต่การเข้าเป็นเสือมา้ามาสกิดเอาบางอย่างที่เคยซ่อนอยู่ในตัวคุณเปรมให้ปรากฏออกมา บางทีคุณเปรมจะไม่เคยได้โอกาสที่จะมีสิ่งที่ตนรักและสนใจจริงๆมาแต่ก่อนพอได้เป็นเสือม้าไม่นานนะักคุณเปรมก็ขยายโรงเลี้ยงมา้าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเคยเลี้ยงเอาไว้เทียมรถอยู่ในบ้านเอาไว้ใช้งานตอนนี้ซื้อมาเทศมาสองตัวจ้างคนเลี้ยงดูแลม้าเหล่านั้นเป็นพิเศษวันไห น, นที่คุณเรมกลับบ้านแต่วันคุณเรมก็มักจะขึ้นม้าออกไปฝึกแต่เช้ามืดทุกวัน ควบขับไปไกลไกลบางวันก็กลับบ้านพร้อมทั้งรอยถลอกปอกเปิกแล้วก็ฟกช้ำดำเขียวหลายแห่งครั้งหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุแขนด่ะไปข้างหนึ่งตั้งแต่นั้นพลอยก็เริ่มไม่สบายใจเป็นห่วงทุกครั้งที่คุณเปรมขี่ม้าออกจากบ้านแต่ถึงแม้ว่าพลอยจะเตือนให้ระวังตัวคุณเปรมก็กลับหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขบขัน มักจะคุยให้พลอยฟังถึงวิธีขี่ม้าโลดโผนต่างๆทำให้พลอยต้องเพิ่มความรู้สึกหวาดเสียวยิ่งขึ้นไปอีกวันหนึง่งเป็นเวลาบ่ายพลอยนั่งอยู่ที่สนามหน้าตึกเด็กๆวิ่งเล่นกันจนเหนื่อยก็มานั่งล้อมกันอยู่รอบตัว พลอยถามลูกๆขึ้นว่าตะอ้นตะอันบอกแม่หน่อยสิโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรอ้นอยากเป็นทหารพลอยก็จะนึกอยู่ในใจว่าอีกแล้วอยากเป็นทหารอีกแล้วโตขึ้นก็ต้องออกจากบ้านแล้วก็ไปอยู่ที่ไกลๆอันนี้คือความรู้สึกในใจของพลอยก็อาจจะคิดถึงพี่เนื่องอดีต อดีตคนรักเก่าอะนะคะที่พอเป็นทหารก็ต้องไปอยู่นครสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็ขาดความสัมพันธ์กับพลอยไปแต่พลอยก็ถามตาโอนว่าทําไมถึงอยากเป็นทหารอ้นชอบเป็นทหารหัดแถวยิงปืนแต่งตัวสวยบางทีก็จะได้ขี่ม้าอย่างคุณพ่อพลอยถอนใจแล้วก็หันไปทางตาอัน้นอั้นล่ะลูกอยากเป็นอะไรตาอั้นนิ่งคิด แล้วก็ตอบว่าอันไม่อยากเป็นทหารครูที่โรงเรียนบอกว่าอันพูดเก่งเถียงเก่งควรจะเป็นหมอความอันอยากเป็นหมอความพรอยก็ถอนใจอีกครั้งหนึง่งนึกในใจว่าเป็นหมอความก็ต้องไปหากินตามโรงตามศาลเฮ้อครูก็ช่างไปเอาอะไรมาพูดกับเด็กไม่น่าเลยแต่ก็เอาเถอะยังดีกว่าเป็นทหารคืออย่างน้อยๆคิดตามระษาผู้หญิงก็คือยังอยู่ใกล้บ้านได้นะคะ แล้วพลอยก็หันไปถามตาออสบ้างออสได้ยินพี่เขาพูดแล้วว่าโตขึ้นเขาอยากจะเป็นอะไรกันแล้วออสล่ะอยากเป็นอะไรออสไม่อยากโตออสไม่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่ต้องเป็นอะไรอออยากอยู่กับแม่ไปอย่างนี้พลอยได้ฟังแล้วก็หัวเราะไม่โตไม่ได้หรอกออสคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องทำงานต้องทำมาหากินออสรู้แล้วเป็นผู้ใหญ่ต้องทำงานออสไม่ชอบทำงานออจะเป็นเด็กไปเรื่อยๆพลอยก็หมดปัญญา ก, กับตาออสไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะคะประไพบอกว่าตาไพอยากโตอยากโตแล้วสวยเหมือนแม่คาตอบนี้ ทำให้พลอยหันไปอุ้มประภัยมากอดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยตัวเองมีความสุขมากในฐานะแม่ของลูกๆพลอยก็มีความสุขและก็ได้รับความสุขจากลูกๆมากมายสุดที่จะประมาณพลอยเคยนึกหวนกลับไปถึงความหวาดหว่นพรันพึงต่างๆที่เคยมีเมื่อรู้ตัวว่าจะต้องแต่งงานกับคุณเปรม แล้วก็ต้องยิ้มกับตัวเองทุกครั้งพรอยรู้ตัวว่าตัวเองนั้นเป็นคนโชคดีมากจริงอยู่ความรู้สึกที่พลอยมีต่อคุณเปรมนั้นไม่ใช่ความรู้สึกที่มีต่อผู้ชายคนที่ตนรักมาตั้งแต่แรกแต่เมื่ออยู่ด้วยกันมานานปีพรอยก็มีความรู้สึกว่าคุณเปรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกไปไม่ได้ความสุขที่พรอยได้รับจากลูกๆนั้นมากมายเกินกว่าที่พรอยคาดฝันเอาไว้ ความทุกข์ความวิตกกงังวลตลอดจนความเหน็ดเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกนั้นมีอยู่เสมอตาอ้อนเหยียบตะปูเกิดเป็นพิษที่บาดแผลเท้าบ ว, วมเป็นไข้ตัวร้อนร้องไห้กวนทั้งกลางวันกลางคืนตาอั้นเป็นอีสุกอีใสาตาออเป็นคังทูมประภัยเป็นหัดทุกครั้งพรอยก็ต้องนั่งรักษาพยาบาลไม่เป็นอันหลับอันนอนกว่าลูกแต่ละคนจะหาย พลอยเองก็แทบจะล้มเจ็บตามไปด้วยทุกครั้งที่ลูกคนใดร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดพลอยก็ต้องสะดุ้งเหมือนกับรู้สึกในความเจ็บปวดนั้นด้วยตัวเองแต่ก็โชคดีที่พลอยมีหลวงโอสถของคุณเชิญไว้เป็นที่พึ่งในยามที่เด็กๆป่วยไขย้หลวงโอสถเป็นคนที่ไม่มีลูกเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่รักเด็กและถึงแม้ว่าจะเป็นหมอซึ่งตามปกติเด็กๆจะต้องกลัวแต่หลวงโอสถ ก็มีวิธีที่จะทําให้เด็กๆนั้นหายกลัวได้คือเป็นหมอที่ใจดีรู้จักที่จะพูดจาเล่นหัวหยอกล้อกับเด็กและก็ตามใจเด็กเด็กๆทุกคนรักหลวงโอสถและก็เรียกว่าคุณลุงหมอถ้าคนไหนเจ็บไข้ทุกคนก็จะพากันดีใจเพราะว่าจะได้เจอกับลุงหมอบ่อยๆหลวงโอสถไม่เคยเรียกค่ายาหรือว่าค่ารักษาเลย ลูกของพลอยคนไหนเจ็บก็มันมาเยี่ยมเยือนรักษาพยาบาลจนกว่าจะหายและเมื่อหายแล้วก็แล้วกันไม่เคยเอ่ยถึงค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งวันหนึ่งพลอยอดรนทนไม่ไหวจึงออกปากพูดกับคุณเชยคุณเชยคุณหลวงของคุณเชยมารักษาหลานหจนหายเจ็บไปตั้งหลายหนแล้ว เรื่องค่าอยู่ค่ายาไม่เคยจะพูดกันเลยคุณเชยจะว่าอย่างไรกันแม่พลอยจะให้ฉันว่าอย่างไรเล่าฉันเห็นว่าควรจะคิดกันเสียบ้างจะให้กันเป่าเป่ า, เ, ปาเรื่อยไปเหมือนก็ดูกะไรอยู่นาะเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำมาหากินถ้าเป็นลูกคนอื่นๆเขาเขาก็คงจะให้อะไรบ้างเด็กพวกนี้เป็นลูกฉันจะรักษาเป่าเป่ า, ปาฉันก็ไม่สบายใจคุณเชยลองพูดกับคุณหลวงดูบ้างเถิด ฉันพูดไม่ได้หรอกแม่พลอยถ้าฉันพูดเขาก็คงจะโกรธฉันมากแต่ถ้าฉันเป็นแม่พลอยฉันก็จะไม่พูดกับเขาเองเพราะถ้าแม่พลอยพูดเขาก็จะเสียใจทำให้คนโกรธหรือทำให้คนเสียใจนะ่ะฉันเห็นว่าทำให้คนเสียใจจะไม่น่าทำยิ่งกว่าทำให้เขาโกรธนะแต่ฉันไม่สบายใจจริงๆนะคุณเชยถ้าฉันยากจนก็แล้วไปเถิดนี่อัดรถฉันก็พอมี จะมานั่งทำให้กันเปล่าๆอย่างนี้ฉันไม่ชอบแม่พลอยแม่พลอยอย่าลืมนะว่าเราเป็นพี่น้องกันแม่พลอยคิดดูให้ดีๆเถิดถึงอย่างไรฉันก็เป็นพี่แม่พลอยลูกแม่พลอยก็เป็นหลานของฉันเมื่อเป็นหลานของฉันก็เป็นหลานของคุณหลวงโอสถธรรมดาคนเราพี่น้อง ลูกหลานเจ็บไข้ก็ต้องรักษาพยาบาลเงินทองนะ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกถ้าไม่พลอยยากจนฉันก็คงจะช่วยเหลือให้เปล่าๆแต่ถึงแม่พรอยจะมั่งมีแม่พรอยก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกับฉันอยู่เงินทองมันไม่ทาให้เปลี่ยนไปได้ฉันก็ยังช่วยเหลือแม่พรอยอยู่นั่นเองเพราะเราช่วยกันด้วยใจรักไม่ได้ช่วยกันเพราะเงินทองถ้าฉันรับเงินจากแม่พรอยก็เท่ากับว่า ฉันกับแม่พลอยเป็นคนอื่นไม่ใช่ญาติกันฉันทําไม่ได้ถ้าพี่น้องคนไหนจนแล้วฉันไม่นับญาติแม่พลอยก็คงจะว่าฉันไม่ดีแต่ถ้าพี่น้องคนไหนมั่งมีแล้วฉันกลับมาคิดเล็กคิดน้อยก็เท่ากับว่าฉันไม่นับญาติไม่ดีเท่าๆกันเพราะคนเราที่เป็นพี่น้องกันนั้นจะมีจนอย่างไรก็ยังคงเป็นญาติกันถ้าไปเอาเงินมานับด้วยเมื่อไหร่ ญาติก็ขาดกันไปฉันพูดแบบนี้แม่พลอยคิดดูให้ดีๆเถิ ด, ด, ดเพราะพี่รักแม่พลอยมากพี่จึงได้กล้าพูดคือปกติพลอยจะเรียกคุณเฉยว่าคุณเชยใช่ไหมคะคือไม่ได้เรียกพี่เพราะว่าคุณเฉยนั้นเป็นลูกเมียหลวงอ่าก็มีการแบ่งชั้นวรรณะกันตามภาษาสมัยก่อนนะเนาะอ่าพลอยเป็นลูกเมียน้อยก็ไม่สามารถที่จะถือวิสาสะเรียกพี่ได้ ก็เรียกได้ความเกรงใจว่าคุณเชยเล่ห์คุณในขณะที่คุณเชยก็แทนตัวเองว่าฉันแต่นานๆคุณเชยจะเรียกตัวเองว่าพี่ตามความสัมพันธ์นะคะซึ่งเมื่อพลอยได้ยินก็ต้องนิ่งลงทันทีและคําพูดของคุณเชยนั้นก็ซึ้งเข้าไปในหัวใจทําให้พลอยได้คิด แล้วก็ไม่พูดเรื่องเงินทองกับคุณเชยอีกต่อไปพรรู้เสียแล้วว่าระหว่างคุณเชยกับตนนั้นเงินเป็นของที่สำคัญน้อยที่สุดก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่งดงามนะคะพี่น้องทุกวันนี้ก็มีจานวนไม่น้อยนะที่หมางใจกันเพราะเรื่องเงินก็ต้องถือว่าพลอยก็โชคดีที่มีพี่มีน้องดีที่นี้ระยะเวลาตอนต้นของแผ่นดินใหม่ พลอยคลองเรือนมาโดยปกติมีสุขมีทุกข์ก็อยู่แต่ในบ้านเหตุการณ์ภายนอกพลอยก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยวันหนึ่งคุณเปรมก็ถามขึ้นลอยๆว่าแม่พลอยอย่างฉันเนี่ยถ้าจะเล่นโขนจะเป็นตัวอะไรดีพลอยหัวเราะตายแล้วคุณเปรมคุณเติมจะไปเล่นโขนที่ไหนเอา้าจริงๆนะแม่พลอย คิดว่าฉันจะหัดโขนคุณเปรมตอบหน้าตาเฉยอะไรกันนี้คุณเปรมคุณเพรมจะหัดโขนหัดละครไปทําไมกันในหลวงท่านโปรดคุณเปรมตอบสั้นๆคําอธิบายของคุณเปรมทําให้พลอยต้องยอมจำนนด้วยเหตุผลเพราะรู้ดีว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการในพระราชสำนักที่จะต้องปฏิบัติให้ต้องพระราชนิยมและพลอย ก็เคยได้รับการอบรมมาในทางที่จะต้องคิดว่าพระราชนิยมนั้นเป็นของถูกต้องเสมอไปคนเช่นพลอยไม่อยู่ในฐานะที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างไรได้คำอธิบายสั้นๆของคุณเปรมจึงเป็นคำอธิบายที่เพียงพอไม่จาเป็นต้องซักถามอย่างไรต่อไปอีกถึงพลอยจะรู้สึกกระดากอยู่บ้างเมื่อนึกถึงคุณเปรมว่าจะต้องไปเล่นโขนเล่นละครนะคะ แต่ความรู้สึกเช่นนั้นก็กลับกลายเป็นอาการตกตะลึงเมื่อได้ยินคุณเปรมพูดต่อไปว่าแผ่นดินนี้ไม่เหมือนแผ่นดินก่อนดอกไม่พ้อยท่านโปรดอะไรคนละอย่างเรื่องโขนละครเนี่ยท่านโปรดมากอย่าว่าคนอย่างเราๆเลยแม้แต่ในหลวงท่านท่านก็ยังทรงละครคนโปรดคนปราณสมัยนี้เขารำละครกันสวยๆทั้งนั้นพลอยก็ สะดุ้งตกตะลึงอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าในหลวงออกส่งละครด้วยพระองค์เองพลอยคิดถึงงานรับเสด็จเมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวแพ่นดินก่อนเสด็จกลับจากยุโรปตอนนั้นเพียงแค่คุณจอมมารดาวางท่านออกรำละครสนองพระเดชพระคุณยังถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต ต้องปิดบังเล่นในที่รโหฐานมิให้คนนอกได้เข้าไปเห็นแต่ถึงคราวนี้ในหลวงออกทรงละครเองพรอยไม่สามารถทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในประเพณีที่ก้าวหน้าออกไปไกลและโดยรวดเร็วถึงเพียงนั้นได้จะซักถามคุณเปรมก็เกรงว่าจะเป็นเรื่องต่ำสูงพลอยถึงได้แต่นิ่งสีปนดินช่วงนี้ก็ทาให้เราได้เห็น ถึงเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่หกนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นความแตกต่างระหว่างสองแผ่นดินนี้ต่อมาค่ะคุณเปรมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกทำให้พลอยโล่งใจแต่พลอยก็เข้าใจเอาเองว่าคุณเปรมคงจะได้เริ่มหัดจริงตามคำพูด แต่พอเดือนหนึ่งให้หลังคุณเปรมก็ปรารถขึ้นเองว่าแม่พลอยฉันดูๆไปแล้วก็เห็นจะไม่สาเร็จเรื่องที่ไปหัดโขนละครฉันมันแก่เกินไปเสียแล้วคนอื่นที่เขายังหนุ่มแน่นเขาก็พอไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรดอกฉันเห็นทั้งส่งละครพูดอยู่มากเหมือนกันถ้าอย่างนี้ฉันก็พอจะไปได้ จากโขนไปที่ละครนะคะพลอยก็สงสัยว่าเอ๊ะละครพูดเนี่ยมันเป็นยังไงกันคุณเพรมก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูและอธิบายว่าละครพูดนั้นตัวละครออกมาแสดงเหมือนคนจริงๆเล่นเป็นฉากๆจนจบไม่มีร้องไม่มีราไม่ต้องรัดเครื่องใส่ชดาอะไรเลยพลอยไม่เข้าใจหรอกคะ่ะพลอยสงสัยว่า แล้วจะสนุกหรือคุณเปรมเท่าที่ฉันฟังดูเหมือนกับเวลาเราเป็นเด็กๆแล้วเล่นทําเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนโน้นเป็นนี่คนนี้เป็นนั่นคุณเปรมหัวราอแม่พลอยนี่อยู่บ้านเสีย จ, จนไม่ทันสมัยเป็นคนโบราณไปแล้วละครพูดนั้นถ้าดูเป็นก็สนุกอยู่เหมือนกันเอาไว้วันหลังก่อนเถอะจะรู้ไปเองดูคุณเปรมสิมาว่าฉันเป็นคนโบราณ ที่ไหนจะเหมือนคุณเปรมละ่ะยิ่งดูไปก็ยิ่งหนุ่มขึ้นทุกวันพลอยพูดพรางหัวเราะคำพูดของพลอยทำให้คุณเปรมยิ้มยิ้มด้วยสายตาที่ทำให้พลอยนึกถึงช่วงที่แต่งงานกันใหม่ๆจริงหรือไม่พลอยแม่พล อ, อยเห็นฉันหนุ่มขึ้นจริงๆหรือนี่ อยากรู้ไปทำไมนะคุณเปรมเอาถ้าเป็นคนอื่นพูดฉันก็คงไม่ถามเซาซีแต่เมื่อแม่พลอยพูดขึ้นมาเองฉันก็ต้องเห็นว่าสำคัญมากเพราะแม่พลอยเป็นคนสำคัญคนเดียวสำหรับฉันคุณเปรมพูดพรางเอื้อมมือมากำแขนของพลอยเอาไว้เห็นไหมล่าคุณเปลมแม้แต่จะพูดจาก็ยังมีรักใายเหมือนคนหนุ่มๆฉันอยากให้แม่พลอยเห็นฉันเป็นหนุ่มตลอดไป ถ้าจะให้ฉันพูดจริงๆฉันก็ยอมรับว่าฉันกลัวแก่บางทีรู้ตัวว่าแก่ลงก็นึกท้อถอยไม่อยากจะทําอะไรแต่ถ้าฉันยังมีแม่พรอยอยู่คนหนึ่งที่ยังเห็นว่าฉันยังหนุ่มอยู่เสมอฉันก็พอจะมีกําลังใจพอสบายใจขึ้นได้ถามจริงๆเถอะแม่พรอยแม่พรอยยังเห็นฉันเป็นหนุ่มจริงๆหรอก็จริงๆนะสิ ฉันจะไปประจบคุณเพรมทำไมล่ะที่พูดไปก็เพราะว่าจริงมีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นแหละที่แก่ลงทุกวันมือของคุณเพรมที่จับแขนพรอยอยู่นั้นบีบแน่นขึ้นคุณเพรมอมยิ้มมองดูหน้าพรอยก่อนจะบอกว่าไม่จริงดอกแม่พรอยสำหรับฉันแล้วแม่พรอยยังสาวอยู่เสมอและดูสวยกว่าแต่ก่อนด้วยซ้าไปนี่ลคะค่ะทาให้พรอยรู้สึก เหมือนมีน้ำเย็นมาชโลมหัวใจคำพูดของคุณเปรมสองสามคำสามารถขจัดความสงสัยกินแหนงแคลงใจให้หายไปได้สิ้นตั้งแต่นั้นชีวิตในบ้านก็ดูงดงามมีสีสันขึ้นทันทีและด้วยความรู้สึกเช่นนั้นชีวิตของพลอยก็ดำเนินต่อไปอีกตามวิถีทางที่ได้ถูกกำหนดไว้จากเบื้องบน ไหนจะลองเอาวิธีการของคุณเปรมไปใช่บ้างก็ได้นะคะทั้งวิธีการของคุณเปรมแล้วก็ของพลอยจริงๆก็ไม่เชิงเป็นวิธีการนะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นประจวบเหมาะกับความกินแหนงแคลงใจของพลอยพอดีคุณเปรมซึ่งเป็นผู้ชายก็มีจุดอ่อนกลัวว่าตัวเองจะแก่ในขณะที่พลอยก็เกรงว่าตัวเองเนี่ยจะดูไม่สวย ไม่สาวแล้วก็ไม่เป็นที่รักในสายตาของสามีพอพลอยชมคุณเปรมก่อนแต่ก็ชมด้วยใจจริงนะคะคุณเปรมก็ชื่นใจและคุณเปรมก็ชมพลอยกลับด้วยใจจริงเช่นกันพลอยก็ชื่นใจและชีวิตคู่ก็เหมือนกับได้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่ง กลับมาที่เรื่องครอบครัวเดิมของพลอยบ้างนะคะคือตั้งแต่เจ้าคุณพ่อของพลอยถึงแก่กรรมก็ดับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วพลอยก็ไม่ได้ทราบข่าวของคุณอุ่นแล้วก็คนอื่นๆที่บ้านคลองหลวงบ่อยนะในส่วนของคุณอุ่นพี่สาวคนโตซึ่งเป็นลูกคนละแม่นั้นจริงอยู่ว่าคุณอุ่น เคยทำให้พลอยต้องเจ็บช้ำน้ำใจมามากคือไม่เคยมีอะไรดีเลยนะคะกับพลอยเนี่ยมีแต่ดุ ด, าาด่าว่ากล่าวกระทบกระแทกแดกดันมาตลอดแต่พลอยเป็นคนที่ไม่ไม่อาคาาพยาบาทใครเมื่อเวลาล่วงเลยไปนานเข้าความรู้สึกในทางที่ไม่ดีที่มีต่อคุณอุ่นก็จางหายไป แต่มีความรู้สึกว่าคุณอุ่นก็เป็นพี่สาวร่วมบิดาอีกคนหนึ่งที่ตนมีได้ติดต่อด้วยแต่ก็ยังอยากรู้สนใจว่าชีวิตของคุณอุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงคุณเฉยก็เคยเล่าให้ฟังว่าได้พบคุณอุ่นครั้งเดียวที่งานศพคุณหญิงผู้เป็นมารดาที่อัมพวาคือคุณหญิงซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณอุ่นกับคุณเฉยนั้นแยกจากเจ้าคุณพ่อของพลอยนะคะตอนที่พลอย ตั้งแต่ก่อนพลอยเกิดสิคือหลังจากที่เจ้าคุณพ่อของพลอยเนี่ยไปรับแม่ของพลอยออกมาจากในวงังแล้วก็มาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งคุณหญิงซึ่งเป็นภรรยาแต่งก็ไม่พอใจแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเดิมที่อัมพวาและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณอุ่นเนี่ยเกลียดแม่ของพลอยแล้วก็เกลียดมาจนถึงพลอยแล้วก็คุณ คุณพ่อเพิ่มเนี่ยนะคะพี่ใสยของพลอยเนี่ยทีนี้หลังจากที่คุณแม่ของคุณอุ่นและคุณเชยตายทั้งคุณอุ่นและคุณเชยก็ไปงานศพคุณเฉยบอกว่าเมื่อพบกันทั้งๆที่เป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยคุณอุ่นก็ไม่พูดกับคุณเฉยส่วนคุณเชยเองก็ทำหน้าที่ลูก ไปเผาศพแม่ไปทำศพแม่แต่ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงคุณอุ่นให้ไกลที่สุดที่จะทำได้นะคะและหลังจากที่คุณหญิงผู้เป็นมารดาถึงแ ก, ก่กรรมคุณอุ่นก็เป็นอิสระแก่ตัวมากยิ่งขึ้นคือไม่ต้องเกรงใจใครกันละตอนนี้เจ้าคุณพ่อก็ไม่อยู่คุณแม่ก็ไม่อยู่คุณอุ่นก็ปกครองบ้านครองหลวงโดยสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียว มีคุณชิดผู้เป็นน้องชายและก็ครอบครัวของคุณชิดอยู่ในบ้านนั้นด้วยคุณชิดเองตั้งแต่เจ้าคุณพ่อตายพลอยก็ไม่มีโอกาสที่ได้พบปะเจอเจออีกเลยดาวเอาว่าเห็นจะเป็นเพราะคุณชิดไม่ขาดแคลนเรื่องเงินทองอีกต่อไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเคยมาขอเงินพลอยครั้งหนึ่งนะคะพลอยก็ให้ไปจำนวนหนึ่งแต่ทีนี้พ อ, อเจ้าคุณพ่อตายเนี่ยเข้าใจว่าคุณชิดก็คงจะ ก็คงจะไปเอาเงินจากคุณอุ่นนั่นแหละซึ่งก็เป็นพี่ที่รักน้องรักน้องชายคนนี้มากด้วยนะคะคุณชิดก็ก็คงจะมีเงินใช้อย่างเปรมปรีพอสมควรก็เลยไม่มาหาพลอยอีกในใจของพลอยนั้นก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทางที่ดีที่สุดคืออย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณอุ่นและคุณชิดเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดเลยปล่อยเข้าไป แต่ในใจจริงๆก็ยังอดนึกถึงคนทั้งสองนี้อยู่ไม่ได้วันหนึ่งพ่อเพิ่มพี่ชายก็มาเยี่ยมพลอยที่บ้านตามปกตินะคะพลอยก็ต้อนรับหาของว่างส้มสูกลูกไม้ให้กินตามเคยพ่อเพิ่มก็นอนเอกนเนกอยู่ที่ระเบียงหน้าตึกคุยกับน้องสาวอย่างสบายใจส่วนมากก็คุยเรื่องทางบ้านของพ่อเพิ่มเอง แล้วก็สรรเสริญภรรยาของตนว่ า, เ, าเป็นคนธมาคา้าขายเก่งเป็นคนใจดีนะคะการบ้านการเรือนก็ดูแลได้เรียบร้อยทุกอย่างปล่อยฟังแล้วก็ดีใจแทนพี่ชายที่พี่ชายมีความสุขนะคะและตอนนี้เนี่ยฐานะหน้าที่การงานของพ่อเพิ่มก็เรียกได้ว่าดีกว่าแต่ก่อนเพราะมีงานการ เ, าเป็ น, เ ป, นเป็นหลักเป็นฐานนะคะ แล้วก็มีบรรดาศักดิ์เป็นคุณหลวงแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่พ่อเพิ่มพอใจคนเราจะเอะไรมากไปกว่านี้จริงไหมคะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคือตอบโจทย์ได้พ่อเพิ่มเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรดังนั้นชีวิตของพ่อเพิ่มก็จัดได้ว่าชิวๆล่ะค่ะทีนี้เวลาที่พี่น้องคุยกันก็มักจะหันเข้าหาความหลังเมื่อครั้งยังเป็นเด็กๆ พอเพิ่มก็เป็นคนปรารบขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับเรื่องของคุณอุ่นพาอเพิ่มเป็นคนเปิดฉากการสนทนานะคะโดยบอกกับพลอยว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าเกิดขึ้นเมื่อวันซืนนี้เองพอหันมาดูตัวเองอีกทีก็พบว่าอายุมากไปตามๆกันแล้ว ทุกวันนี้แม่พลอยก็สามสิบกว่าพอเพิ่มกับคุณเชยก็ย่างเขาสี่สิบคุณชิดสี่สิบกว่าคุณอุ่นก็ร่วมห้าสิบเข้าไปแล้วแต่ละคนก็มีลูกหลานออกเต็มไปตอนนี้พลอยเรียกพ่อเพิ่มว่าคุณหลวงนะคะพอรู้สึกว่าพ่อเพิ่มชอบให้เรียกเช่นนั้นพลอยก็เลยถามข่าวว่าพ่อเพิ่ม ได้ข่าวจากบ้านคลองบางหลวงบ้างหรือเปล่าได้ข่าวปราปลาอยู่เสมอและไม่พร้อยแต่ข่าวที่ได้นั้นไม่เห็นจะเป็นข่าวดีสักทีฉันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทีเดียวที่คุณหลวงว่าเป็นข่าวไม่ดีนะมันมีอะไรบ้างล่ะคุณเชยกับฉันบ้านอยู่ใกล้ๆ ก, กันก็คุยกันเสมอแต่ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องโรคหู ก็เลยขี้เกียจเอามาเล่าให้แม่พลอยฟังคุณอุ่นเธอเป็นอะไรหรือคุณหลวงเธอไม่เป็นอะไรรอกแม่พร้อยก็เพราะเธอยังเป็นคุณอุ่นคนเก่าอยู่นั่นแหละฉันถึงกลัวว่าเธอจะต้องลําบากทีหลังจากนั้นนะคะพ่อเพิ่มก็เลยเปิดปากเล่าให้พลอยฟังบอกว่าอ่าบ่าเบาเก่า ที่ยังคงไปมาหาสู่กับพ่อเพิ่มเนี่ยแล้วก็รวมถึงคุณเชยด้วยเนี่นะคะก็มาบ่นมาเล่าให้คุณเชยกับพ่อเพิ่มฟังว่าคุณอุ่นตามใจคุณชิดราวกับเทวดาเพราะคุณเชยออกจากบ้านไม่เท่าไหร่คุณชิดก็บอกว่าอยากจะได้ทุนรอนเอาไปค้าขายตั้งเนื้อตั้งตัวคุณอุ่นก็ทุ่มเทเงินทองให้ไปเป็นกองคือตามใจมาก ปรากฏว่าก็หมดเพราะว่าคนอย่างคุณชิดนั้นพอเพิ่มบอกว่าใช้เงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะคุณชิดไม่ได้เอาไปลงทุนจริงๆแต่คุณชิดเอาไปกินเอาไปเล่นเล่นการพ น, นันได้เงินมาก็ข้ามฟากไปโรงบร่อนแล้วเงินก็หมดในวันเดียวกันพอหมดแล้วก็กลับบ้านเพราะถ้าไม่หมดก็ไม่กลับพ่อกลับไปถึงบ้านก็ปิดไม่ให้คุณอุ่นรู้แต่ตอนหลังเรื่องก็แตก คุณอุ่นก็เอตโรไปพักหนึ่งแต่แล้วก็ใจอ่อนให้เงินคุณชีตอีกคุณอุ่นเธอก็รวยออกจะตายไปน้องของเธอมีเหลืออยู่คนเดียวเธอก็ต้องเลี้ยงกันไปจะไปเป็นอะไรกันนักหนาคุณหลวงพรอยก็พูดในเชิงออกความเห็นนะคะเพราะว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเจ้าคุณพ่อเนี่ยก็มากมายขัวอยู่แล้วคุณอุ่นไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยนะคะเธอรวบเอาไว้คนเดียวหมดเลยไม่แน่นักรอกแม่พรอย มีน้องอย่างคุณชิดคนเดียวก็เท่ากับมีคนจะต้องเลี้ยงสักร้อยคนน่ะแล้วเพราะคุณชิดน่ะเธอมือเติบหนีฉันเด็กข่าวว่าคุณอุ่นเธอขายนาของเจ้าคุณพ่อไปแล้วเกือบหมดและเดี๋ยวนี้ก็เริ่มขายเครื่องเพชรเครื่องทองไม่เว้นตละลาวันเขาว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคุณชิดดุได้ว่าได้ร้าวกับเด็กๆ เ, เลยทีเดียวอยากได้อะไรก็กินเหล้าให้เมาแล้วก็ขึ้นไปขู่อ้าคุณอุ่นเ ธ, เธอกลัวเธอก็ต้องให้ทุกที ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไปฉันว่าก็คงจะหมดตัวเขวาวันนึงนัแหละพรอยฟังแล้วก็ถอนใจแทบไม่เชื่อหูว่าครั้งหนึ่งคุณอุ่นผู้ซึ่งเคยเป็นใหญ่ในบ้านมีคนกลัวเกรงจะต้องมาตกอยู่ใต้อำนาจของคุณชิดผู้เป็นน้องชายพรอยได้ยินเรื่องของคุณอุ่นที่พ่อเพิ่มเล่าให้ฟังแล้ว แทนที่จะดีใจหรือพอใจนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอุ่นก็เคยประกาศตัวเป็นศัตรูกับพลอยอย่างเปิดเผยแล้วก็ไม่เคยทําอะไรดีให้พลอยเลยมีแต่จะเหยียบย่ําซ้ําเติมกันแนะกระแนะตลอดแต่พลอยกลับมีความรู้สึกไปในทางตรงกันข้ามเรื่องที่ได้ยินกลับทําให้พลอยเห็นใจคุณอุ่นมองคุณอุ่นในแง่ดีว่าคุณอุ่นเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนที่มีน้ําใจเหี้ยมเกรียมเห็นกับคือคือเห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะ แล้วก็จะยอมอุปการะเฉพาะแต่คนที่ประจบสอพอแล้วก็คนที่ยอมอยู่ใต้อำนาจบงการแต่ข้อความที่พ่อเพิ่มเล่านั้นดูเหมือนจะชี้ให้เห็นไปในทางที่ว่าคุณอุ่นยังมีความรักความเมตตาต่อคนคนหนึ่งนั่นก็คือคุณชิดผู้เป็นน้องชายแท้ๆแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณชิดเสมอซึ่งถ้าคุณชิดเป็นคนดีก็คงจะตั้งตัวได้แต่ก็เป็นกรรมกรรมของคุณอุ่นที่ไปเลือกเมตตาคนผิด คุณอุ่นก็เลยกลายเป็นคนที่น่าสงสารคุณอุ่นในวัยสูงอายุจึงเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ถูกน้องชายผู้ซึ่งเป็นนักเลงเล่านักเลงฟิล น, นักเลงการพนันไปขู่เข็นเรียกร้องเงินไปถลุงเพื่อปลนเปลวความชั่วของตนคือโดนรีดไถโดนค่มขูไม่เว้นต่ละวันเนี่ยนะคะผู้หญิงแต่ก่อนก็คงไม่เหมือนกับผู้หญิงสมัยนี้นะคะ ที่อาจจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้แต่ว่าผู้หญิงต่ก่อนอย่างคุณอุ่นอย่างเงี้ยยังไงยังไงก็ไม่มีที่ไปก็คงจะต้องนั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็รอเวลาที่จะให้น้องชายเนี่ยมารีดนาทาเว้นไม่เว้นแต่ละวันหนีไปไหนก็ไม่ได้พรอยได้ฟังก็สงสารคุณอุ่นจับใจพรอยเชื่อว่าคนที่เคยมีเงินทองใช้สอยบริบูรณ์เคยได้รับแต่คํายกย่องเอาใจนั้น ถ้าเคราะกรรมบันดาลให้ต้องตกอยู่ในฐานะยากจนและถูกบังคับขู่เข็นจากผู้อื่นความทุกข์ที่บุคคลนั้นจะได้รับก็ย่อมจะมากกว่าคนที่เคยยากจนหรือเคยถูกกดขี่บังคับมาแล้วอย่างเช่นพลอยเองคุณอุ่นเป็นบุคคลเช่นนี้พลอยก็เลยนึกสงสารมากกว่าที่จะนึกสมน้ําหน้าและยิ่งรู้ตัวว่าในขณะนี้เนี่ยพลอยมีฐานะที่ดีกว่า มีความกังวลต่างๆในชีวิตที่น้อยกว่าคือสบายกว่านะคะพลอยก็ยิ่งเห็นใจคุณอุ่นมากขึ้นไปอีกออืืโลกนี้นี่จะมีคนแบบแม่พลอยสักกี่คนนาะพอเพิ่มก็บอกว่าเขาเล่าว่าคุณชิดเดี๋ยวนี้มีเมียอีกตั้งหลายคนนะแม่พลอยลูกก็มีออกมาเรื่อยๆเต็มบ้านทีเดียวมีจนเกือบไม่รู้ว่าใครเป็นใครน่ะแหละแล้วแม่พวงเมียคนแรกหายไปไหนเสียเล่าคุณหลวง เขาก็ยังอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ก็เห็นจะไม่เป็นอะไรหรอกครั้งหนึ่งเคยเลี้ยงเป็นบ่าวชอบใจก็ยกขึ้นมาเป็นเมียเดี๋ยวนี้ได้เมียอื่นมาใหม่ก็คงจะลดกลับไปเป็นบ่าวอีกกระมังโธ่กำเวณแท้ๆแต่เพียงลูกเมียมันเนี่ยไม่เป็นอะไรนักนาดอกไม่พร้อยเขาว่าตอนหลังนี่นาคุณชิดนี่เขาชอบเลี้ยงคนแปลกๆมีสมุนเป็นพวกนักเลงหัวไม้พวกขี้ยาพวกโรงบอนเขาชอบไปเที่ยวแบบนั้น พบกันถูกใจเขาก็เอาตัวมาเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนตกเย็นก็เมาเหล้ากันคลื่นเคลงเขาว่าที่บ้านเราตอนนี้เนี่ยเรากับซ่องโจนเลยทีเดียวโอฟังแล้วน่ากลัวมากนะคะแล้วคุณอุ่นเธอไม่ว่ากล่าวว่างรึเธอก็ว่ากล่าวเหมือนกันแหละในตอนแรกๆแต่เมื่อว่าแล้วเขาไม่ฟังเธอก็เลย ก, กลายเป็นกลัวเข้าไปเพราะว่าเขาเอาสมุนแก่นแก่นเข้ามาไว้เต็มบ้าน ถ้าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวจะไปสู้รบตบมืออะไรไหวได้แต่ซ่อนตัวเงียบอยู่บนตึกเขาก็ได้ถ้ายิ่งขู่เอาใหญ่พลอยก็ถามว่าคุณเชยรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าคุณเชยเนี่ยก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกันใช่ไหมคะพอเพิ่มก็ถามว่าก็แม่พ้อยจะให้คุณเชยว่าอย่างไรเล่าก็เธอเป็นพี่น้องแท้ๆเธอไม่คิดจะเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรอพี่น้องกันจะไปตัด ก, กันขาดได้อย่างไรพอเพิ่มหัวเราะหือห้อ คุณเชยเธอบอกฉันว่าถ้าเธอเข้าไปตอนนี้จะยิ่งลําบากไปใหญ่เพราะคุณอุ่นเธอก็จะได้ว่าคุณเชยเนี่ยสมสานเข้าไปหาเพื่อจะไปปอกลอกทําให้คุณชิดได้ท่าแล้วก็ปอกลอกคุณอุ่นมากขึ้นไปอีกเพราะกลัวคุณเชยจะเข้าไปแย่งเป็นอันว่าคุณเชยเองก็ทําอะไรไม่ได้อย่างนั้นหรอก็อย่างนั้นแหละเธอบอกกับฉันว่าเธอก็เป็นห่วงเหมือนกัน แต่เมื่อทําอะไรไม่ได้มันก็อุเบกขาเพราะว่าถึงจะเป็นพี่เป็นน้องกันก็โตโต้ด้วยกันแล้วคุณอุ่นเธอก็เป็นพี่คุณเชยก็เป็นแต่เพียงน้องพวกอยากทางเจ้าคุณพ่อที่รู้เรื่องท่านก็พูดกับคุณเชยให้ไปตักเตือนกันซะบ้างแต่คุณเชยก็ได้แต่นิ่งเธอบอกกับฉันว่าคุณอุ่นนั้นใครสอนก็ไม่ได้ใครเตือนก็ไม่ได้เธอจะยิ่งซ้ําร้ายไปใหญ่มีทางเดียวปล่อยให้เธอรับกรรมไปจนกว่าเธอจะรู้ตัว ปล่อยฟังแล้วก็หนักใจว่าถ้าปล่อยกันอยู่อย่างนี้กว่าถัวจะสุกงาก็คงไม่พอเพิ่มหัวเราะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแม่พร้อยแม่พร้อยลองไปเตือนเธอดูบ้างสิแม่พลอยก็ร้องเสียงหลงบอกว่าไฮ้ <c oughs> ฉันจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงคุณหลวงพอเพิ่มก็หัวเราะสนุกพูดกันไปพูดกันมาก็เหมือนนิทานเรื่องหนูตัวไหนที่จะเอากระดิ่งไปผูกคอแมวกระมัง พ่อเพิ่มพูดจบพลอยก็หัวเราะขำเพราะเห็นจริงในคำพูดของพ่อเพิ่มนะคะไม่ผิดอะไรเลยกับการที่หนูเนี่ยจะเอากระดิ่งไปผูกคอแมวจริงๆแล้วบอกเป็นเสือด้ยซ้านะคะสำหรับคุณอุ่นแม่พลอยที่คุณเชิกับฉันไม่ค่อยพูดถึงเรื่องอะไรกับแม่พลอยก็พระรู้ว่าแม่พลอยเนี่ยเป็นคนรักพี่รักน้องชอบไปเก็บเรื่องของคนอื่นมาทุกร้อนแต่อเผอิญวันนี้เนี่ยแม่พลอยถามขึ้นมา ฉันก็เล่าให้ฟังตามจริงเท่าที่รู้แต่เรื่องพี่น้องของเรานั้นถ้าจะให้ดีเราอยู่เฉยๆดีกว่าทำตัวเราให้ดีๆไว้อย่าให้เสียหายก็พออย่างฉันเองเวลานี้ถึงจะช่วยใครก็คงช่วยไม่ได้แต่ฉันก็สบายใจอยู่อยากที่ไม่ต้องไปพึ่งใครนอกจากเมียของฉันเองพูดขึ้นมาแล้วก็คิดถึงเดี๋ยวต้องรีบกลับไปหาเสียหน่อยฉันไม่ได้กลับบ้านมาสามวันแล้วตายละ ดูคุณหลวงสิหายไปไหนตั้งสามวันไม่กลับบ้านกลับช่องฉันก็เพี่ยวไปตามบ้านเพื่อนฟูงใครเขาชวนนอนที่ไหนฉันก็นอนที่นั่นแต่ก็ไม่เป็นอะไรรอกเมียฉันเขาไม่ว่าเขาเรียกฉันว่าพ่อนกขมิ้นเหลืองอ่อนเพราะนอนไหนก็นอนได้กลับไปถึงบ้านทีไรก็มีสำรับกับข้าวคอยเอาไว้ให้กินเสมอไม่เคยพลาดพลอยฟังแล้วก็รู้สึกขันพี่ชายของตน ความจริงแล้วพ่อเพิ่มก็มีความสุขในชีวิตได้อย่างแปลกประหลาดแล้วก็เป็นคนที่หาความสุขได้ในเรื่องง่ายๆพ่อเพิ่มเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครจึงเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากเพื่อนฝูงของพ่อเพิ่มก็เปลี่ยนชุดกันไปเรื่อยๆเพื่อนฝูงคนไหนที่จเจริญรุ่งเรืองในการงานเป็นผู้ใหญ่กว่าพ่อเพิ่มไปก็ห่างเหินกันไปแต่พ่อเพิ่มก็ไม่เคยนึกเดือดร้อนหรือว่านึกโกรธหรือไม่พอใจคุณเปรม คุณเพรมก็เคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งของพ่อเพิ่มที่สนิทสนมกันนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากข้อเท็จจริงนี้เพราะว่าแต่แรกคุณเปรมและพ่อเพิ่มเนี่ยต่างก็รักใคร่สนิทสนมกันดีอยู่แต่พอต่อมาต่างฝ่ายต่างมีงานและคุณเปรมก็เรียกว่าเป็นใหญ่เป็นโตได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงขึ้นความสนิทสนมที่เคยมีก็ลดน้อยลงโดยที่ม่ได้มีเรื่องอะไรบาดหมางกันเลยพ่อเพิ่มนั้นเริ่มเรียกคุณเปรมว่าคุณพระ แล้วก็ใช้สรรพนามแทนคุณเปรมว่าท่านเวลาที่พบปะพูดจากันพอเพื่อนก็พูดจาต่อคุณเปรมด้วยความเคารพต่อฐานะของคุณเปรมทําให้พอเพิ่มกับคุณเปรมเนี่ยก็ห่างกันไปทุกทีในฐานะเพื่อนแต่ว่าเมื่อห่างไปจากคุณเปรมพอเพิ่มก็ไปหาเพื่อนได้อีกหลายคนและแต่ละคนก็คงเป็นเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะัก พ่อเพิ่มจึงเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนในส่วนของลูกเมียพ่อเพิ่มก็เล่าให้น้องสาวฟังบอกว่าภรรยาของพ่อเพิ่มนั้นไม่เป็นปัญหาคือไม่ว่าอะไรเข้าใจกันมาตั้งแต่แรกเขารู้ดีว่าถึงฉันจะหายไปสักกี่วันกี่วันฉันก็คงจะกลับบ้านสักวันหนึ่งไม่เห็นจะแปลกอะไร แล้วก็ดีเสียอีกที่ฉันไม่พาเพื่อนมาบ้านเพราะว่าพามาที่ไรเขาก็ต้องทำกับข้าวเลี้ยงยังกับมีงานไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันพลอยก็เลยบอกว่าคุณหลวงเคราะดีที่ได้เมียเอาใจถ้าได้เมียคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกน้อยใจอยู่บ่อยๆนะคะถ้าวันไหนคุณเปรมไม่กลับบ้านมันไม่ใช่เรื่องเอาใจหรือไม่เอาใจหรอกแม่พลอยฉันว่า มันอยู่ที่เรื่องรู้ใจกันมากกว่าเมียฉั้นเขารู้ดีว่าเพื่อนมันก็แค่เพื่อนถึงฉั้นจะไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนนานแค่ไหนฉันก็ต้องเห็นว่าเมียดีกว่าอยู่นั่นเองเขาจึงไม่ขัดใจเพราะเขาอยากให้ชั้นสบายใจเมื่อฉั้นได้กับเขาใครๆก็พากันว่าฉันได้เมียต่ำกว่าตัวแต่ชั้นไม่ฟังใครเพราะเหตุนี้ล่ะฉันจึงได้สบายไม่เดือดร้อนถ้าได้เมียเท่าๆกับตัว เขาก็คงจะเรียกอะไรต่ออะไรที่ฉันไม่มีจะให้หรือถ้าได้เมียที่มีชื่อว่ารวยฉันก็จะถูกนินทาหาว่าเกาะเมียกินเสียชื่อเปล่าๆสู้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ยุ่งดีอันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของการครองคู่นะผู้ชายจํานวนไม่น้อยก็คิดเยอะเวลาที่จะหาภรรยาโดยเฉพาะในยุคนั้นใช่ไหมคะ คือภรรยาที่สูงกว่าตัวเองภรรยาที่เสมอกับตัวเองภรรยาที่ต่ํากว่าตัวเองนะคือให้ผลไม่เหมือนกันพรอยฟังแล้วก็ดีใจที่พี่ชายเนี่ยมีความสุขความสบายใจแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่ามีเพื่อน เ, ย, เยอะๆเนี่ยไปทําอะไรกันพอเพิ่มก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็นัดกัดแล้วก็ไปกินเหล้ากันแล้วก็คุยกัน คุยกันเรื่องงานอดิเรกนะคะเรื่องไม้ดัดบ้างาเรื่องเล่นนกขาวบ้างเลี้ยงนกกันนะคะคือก็ตาภาษาผู้ชายที่ก็จะมีของเล่นนะเนาะแต่พลอยก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจในโลกของผู้ชายที่บ่อยครั้งเนี่ย ก็จะมีของเล่นอย่างอื่นแล้วก็อาจจะให้ความสนใจกับของเล่นเหล่านั้นมากกว่าภรรยาที่บ้านซะอีกสุดท้ายพ่อเพิ่มก็เลยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคติท้งนั้นแหละแม่พร้อยสำคัญที่ว่าเรามีตาจะดูหรือไม่มีตาจะดูถ้ามองให้ดีๆเราก็จะเห็น นกเขามันก็เป็นสัตว์มีชีวิตแต่ตัวมันเล็กอยู่ในกรงเราเลี้ยงมันมาเราก็เห็นได้ง่ายและนกมันโกหกไม่เป็นทำกระบิดกระบวนก็ไม่เป็นจึงเห็นได้ง่ายกว่าคนแต่ถึงจะเป็นคนเป็นนกก็เป็นสัตว์เหมือนกันดูไปดูมามันก็คติเดียวกันทั้งนั้นคืนนี้พ่อเพิ่มก็พยายามอธิบายนะคะว่าการเลี้ยงนกเนี่ย ก็คล้ายๆกับคนนั่นแหละดูดีๆก็ให้ข้อคิดได้เหมือนกันคุณหลวงก็พูดอุปมาอุปไมยเรากับพระเทศเข้าวัดบ้างหรือเปล่าเลยเนี่ยเข้าเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปฟังเทศรอกไปคุยกับพระท่านเรื่องไม้ดักท่านรู้เรื่องมากกว่าเราแล้วก็มีห่วงวิชาบอกเคล็ดให้ได้เสมอ ทีนี้วันหนึ่งพรอยเนี่ยก็มีการดูหมอค่ะคือเรื่องของเรื่องพรอยศึกษาประวัติพี่น้องของตนตลอดจนนิสัยใจคอตั้งแต่สมัยเด็กๆมาจนถึงผู้ใหญ่ก็เกิดความคิดว่านิสัยใจคอต่างๆนั้นบางทีอาจจะถูกถ่ายทอดลงมาจนถึงลูกของตนได้ ถ้าได้ดูชีวิตของพี่น้องตลอดจนตัวของตัวเองให้ดีๆบางทีก็อาจจะพยากรชีวิตของตนได้ถูกและถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ดีก็อาจจะป้องกันแก้ไขได้เมื่อคิดได้ดังนี้นะคะพลอยก็หันเข้ามองดูเด็กๆด้วยความสนใจและสิ่งที่ได้เห็นบางทีก็ทําให้พลอยสบายใจแต่บางทีก็ทําให้พลอยประหวั่นใจตาอ้อนนั้น ออกจะไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่ลูกของพลอยถึงพลอยจะพยายามดูตาอ้นจากด้านเดียวคือดูว่าจะเหมือนคุณเปรมบ้างหรือเปล่าพลอยก็มองไม่ออกเพราะถึงตัวคุณเปรมเองก็ยังมีหลายครั้งหลายคราวที่พลอยนึกว่าไม่รู้จักคือคิดว่ารู้จักแต่ก็ไม่รู้จักทำนองนั้นส่วนตาอั้นเนี่ยก็ทาให้พลอยไม่สบายใจอยู่บ่อยๆเพราะมีนิสัยที่อยากจะมีอะไรแต่เพียงคนเดียวนะคะคือเหมือนกับชอบชิงดีชิงเด่น ทำให้พลอยอดนึกถึงคุณอุ่นไม่ได้บางครั้งบางเวลาอยู่ด้วยกันกับพลอยพร้อมกับพี่น้องอื่นๆตาอั้นเนี่ยก็มักจะแสดงกิริยากีดกันคนอื่นแล้วก็อยากจะผูกขาดความรักความสนิทสนมของแม่แต่เพียงผู้เดียวคือไม่อยากให้แม่ไปรักใครทำให้พลอยต้องดุตาอัน้นทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่ไม่อยากทำในขณะที่ตาออดเนี่ยมีนิสัยที่ทาให้พลอยทั้งสบายใจแลวก็เป็นทุกข์ใจ เพราะว่าตะออดนั้นเหมือนพี่ชายคือพ่อเพิ่มเหมือนจนพลอยเองเนี่ยนึกแปลกใจเหมือนในแง่ที่ว่าตะออดเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็หาเรื่องสนุกสบายได้ง่า ย, ายๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทะเยอทะยานไม่ต้องการอะไรมากนะักแล้วก็เป็นคนที่ไม่หวงของแต่พลอยก็อยากให้ตะออดเนี่ยประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าดูนิสัยของพ่อเพิ่มคือถ้าเหมือนพ่อเพิ่มเนี่ยก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนที่เรื่อยๆสบายๆไม่ค่อยพยายามอะไรมากหนะักหวังอะไรมากไม่ได้นะคะก็ตามตามภาษาแม่นะคะคือเป็นห่วงแล้วก็เป็นกังวลกับอนาคตของลูกอยากจะรู้ข้อมูลล่วงหน้า ทีนี้คุณนุ้ยเนี่ยคุณนุ้ยซึ่งเป็นพี่สาวของคุณเปรมเนี่ยนะคะก็มีหมอดูจีนตาบอดอยู่คนหนึ่งซึ่งคุณนุ้ยเรียกว่าสินแสคุณนุ้ยเคยไปรับนะคะไปรับสินแสคนนี้ให้มาดูโชคชะตาแล้วก็พยากรณ์การข้างหน้าอยู่เสมอว่าจะดีหรือร้ายเมื่อตอนที่มาอยู่บ้านคุณเปรมใหม่ๆคุณนุ้ยก็เคยแนะนำให้พลอยดูหมอจีนคนนี้แต่พลอยก็ไม่ได้สนใจ วันหนึ่งสินแสคนนี้เนี่ยมาถึงขณะที่เด็กๆอยู่พร้อมกันนะคะประกอบกับตอนนั้นพลอยกำลังลังเลใจพลอยก็เลยพาเด็กๆขึ้นไปดูหมอพร้อมๆกันคือเหมือนกับว่าหมอดูเนี่ย อ, อ, อาจจะมาธุระของคุณนุ้ยนะคะแต่บังเอิญมาถูกเวลาพอดีพลอยกำลังมีเรื่องที่คิดไม่ ต, ม ต, ตกแล้วก็เป็นคล้ายๆกับมีเรื่องที่ อยากจะรู้อนาคตก็เลยเกณฑ์เด็กๆไปดูหมอตา อ, อ้นเป็นคนดูก่อนหมอก็ถามวันเดือนปีเกิดแล้วก็เอามือคลำใบหน้าใบหูคือหมอตาบอดอ น, นะเนาะพอคลำโ ง, งเฮงของตา อ, อน้นหมอก็สายหน้าถอนใจแล้วก็บอกว่าอีคงนี้โตขึ้นต้องลำบยากพลอยก็ใจหายว่าแทบจะเลิกดูเลยทีเดียว โอ้โหแค่ประโยคแรกนี่ก็ใจฟอแล้วนะคะพลอยก็ถามต่อว่าลำบากยังไงเฮออะไรอะไรเงื่งทองอีกก็มีแต่อีกแข็งเกินไปต้องติดตีรังแล้วก็ออกออกมาแล้วก็สิบายพลอยฟังแล้วก็กลุ้มหนักค่ะว่าเอ๊ะเป็นไปได้อย่างไร เพราะว่าตาอ้นเนี่ยไม่มีนิสัยส่อให้เห็นว่าจะเป็นโจรเป็นขโมยได้สักนิดและทำไมหมอจึงพยากรว่าจะต้องติดคุกติดตารางความเลื่อมแสนในสินแสอขออภัยความเลื่อมใสในสินแสของคุณนุ้ยเนี่ยก็ชักจะลดน้อยถอยลงไปมากถึงค่าวตาอั้นบ้างคราวนี้หมอหัวเราะค่ะแล้วก็บอกว่าโอ้โหอีคงดีต่อไปจะรีมากนะ อีจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคงนายคงมีชื่อเสียงพลอยก็นึกในใจว่าเฮ้อเ่ายังชั่วหน่อยสินแสก็พูดต่อไปว่าแต่เสียอย่างเล้วอีจะต้องโกรธกับพี่น้องแต่ก็ไม่นานโกรธแล้วก็ลีกันไล่ส่วนตาออดหมอบอกว่าตาออดจะมีพอกินพอใช้และอายุไม่ยืนหนักส่วนประภัยคุณนุ้ยบอกว่าไม่ต้องดูหรอกเป็นผู้หญิง แล้วก็ยังเด็กเกินไปเพราะลงมาจากเรืองของคุณนุ้ยนะคะตาอันก็เริ่มขับตาอ้นในเรื่องหมอดูตาอ้นเริ่มหน้าเสียเพราะถูกทํานายว่าจะต้องติดคุกติดตารางพรอยก็สงสารบอกลูกว่าอย่าไปถือสาเพราะหมอดูนั้นตามปกติก็ดูผิดๆได้คนเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่บุญที่กรรมของของตัวเองมากกว่าแต่ว่าใจจริงของพรอยก็ไม่สบายใจนะัก นึกสังหรณ์อยู่ว่าคำพูดของสินแสอาจจะกลายเป็นจริงก็ได้แล้วก็ทําใจเอาไว้ว่าจะต้องพยายามทุกทางเพื่อปกป้องตะอน้นมิให้เป็นไปตามคําทํานายนั้นแต่โชคชะตาของคนนั้นอยู่เหนือความพยายามของพลอยที่จะแก้ไขและความปรารถนาของพลอยนั้นบางทีก็ได้ผลบางทีก็ไม่ได้ ทั้งที่พลอยไม่อยากให้ตะอ้อนเป็นทหารแตอ่อ้นก็ดิ้นรนอยากจะเป็นทหารพอคุณเปรมรู้คุณเปรมก็เห็นด้วยกับความคิดของตะอ้อนทําให้พลอยต้องหมดเสียงลงไปต่อมาคุณเปรมก็พาตะอ้อนไปเข้าโรงเรียนในร้อยชั้นประถมไปอยู่กินนอนที่นั่นจะได้กลับบ้านก็เฉพาะวันเสราร์อาทิตย์ความสุขความดีใจที่ปรากฏบนใบหน้าของตะอ้อนครั้งแรกที่ได้แต่งเครื่องแบบนันเกเรียนในร้อย ทำให้พลอยลืมความไม่พอใจของตนเองเสียสิ้นเมื่อจัดการกับตะอ้อนให้ได้เป็นนักเรียนในร้อยสมปรารถนาแล้วคุณเปรมก็หันหน้าเข้าปรึกษากับพลอยเรื่องตาอั้นกับตาออดโดยถามความเห็นของพลอยว่าคิดอย่างไรกับตาอั้นแล้วก็ตาออดพลอยก็บอกว่าตาอั้นเนี่ย บอกว่าอยากจะเป็นหมอความแต่พลอยนั้นไม่อยากจะให้ลูกไปเที่ยวหากินตามตีนโรงตีนศาลส่วนตาอ้อยก็พูดเลอะเทอะบางทีอาจจะยังเป็นเด็กไปไม่รู้ใจตัวคุณเปรมนั้นเห็นด้วยว่าการเป็นหมอความก็ดีเหมือนกันเพราะว่าต่อไปตา อ, อั้นก็คงจะต้องดูแลทรัพสมบัติที่มีอยู่การมีหมอความสักคนหนึ่งก็จะช่วยให้ไม่มีใครโกงได้ ในขณะที่พลอยฟังแล้วก็คล้อยตามนะคะพลอยก็เห็นว่าก็แล้วแต่เด็กด้วยใจเด็กรักทางไหนก็อยากจะให้ไปทางนั้นขณะเดียวกันค่ะคุณเปรมก็บอกกับพลอยว่าคุณเปรมอยากจะส่งตาอั้นกับตาออสไปเรียนเมือง น, นอกเพราะว่าในสมัยนั้น บรรดาคนที่มีสตุ้งสตางทั้งหลายเนี่ยก็นิยมที่จะส่งลูกหลานไปเรียนเมืองนอกคุณเปรมเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะนะคะก็อยากจะส่งตาอั้นกับตาออสไปเรียนเมืองนอกบ้างคืออยู่ในวิสัยที่สามารถจะทําได้กลับมาจะได้มีช่องทางเข้ารับราชการแล้วก็มีหน้ามีตามากกว่าคนที่ไม่ได้ไปคือในสมัยนั้นถ้าใครได้ไปเมืองนอกนี่ก็คงโก้มากละค่ะ เมืองนอกสมัยนั้นไม่ได้ไปง่ายๆอย่างสมัยนี้นะคะพลอยก็ใจหายวาบแล้วก็หน้าเสียลงไปทันทีค่ะเมื่อรู้ว่าคุณเปรมคิดจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเพราะใจพลอยอยากจะเก็บลูกเอาไวใ้ใกล้ๆตัวไม่อยากให้จากไปไกลแต่ก่อนเคยรู้เรื่องทุนกระหม่อมฟ้าและพระเจ้าลูกเธอเสด็จไปศึกษาในต่างประเทศพลอยก็เข้าใจว่าท่านเป็นลูกเจ้าแผ่นดิน จะต้องกลับมาคลองแผ่นดินต่อไปจำเป็นจะต้องไปเล่าเรียนไกลๆแต่ลูกของพลอยดูจะไม่มีความสำคัญถึงเพียงนั้นคุณเปรมจะคิดไกลไปสักหน่อยก็ไม่รู้ได้พลอยก็เลยถามว่าจะต้องจำเป็นถึงเพียงนั้นทีหรือคุณเปรมจำเป็นอยู่บ้างแม่พลอยฉันก็เห็นใจแม่พลอยมากที่จะต้องจากลูกเข้าววันหนึ่งแต่ถ้าเรารักลูกเราก็ต้องคิดถึงลูกมากกว่าคิดถึงตัว อะไรที่จะเป็นความเจริญของเด็กก็ไม่ควรจะไปขัดขวางทุกวันนี้บ้านเมืองเจริญขึ้นแม่พลอยก็ย่อมรู้คนไม่มีความรู้สูงจริงๆต่อไปก็น่ากลัวว่าจะไปไม่รอดแม้แต่ฉันเองบางเวลาก็อึดอัดในหลวงรับสั่งภาษามังค่าคนอื่นเข้าหัวเราะกันเกลียวกล่าวไอ้เราก็ได้แต่ตีหน้าเป็นเบือ้อจะไปหัวเราะกับเขาบ้างเดี๋ยวท่านรับสั่งถามขึ้นมาเกิดไม่รู้เรื่องก็อายเขา แต่ฉันเห็นว่าลูกยังเล็กเหลือเกินไปนอกไปนาจะเลี้ยงตัวเองอย่างไรไหวก็ใครว่าจะให้แกไปแต่เดี๋ยวนี้ล่ะแม่พลอยก็ปล่อยใจชื้นขึ้นมากเมื่อได้ยินคุณเปรมพูดอย่างนั้นนะคะแล้วคุณเปรมกะว่าจะให้ไปสักเมื่อไหร่ก็กะว่าให้โตอีกสักหน่อยอีกสองสามปีก็คงจะยังทันระหว่างนี้ฉันก็อยากจะให้แกเรียนภาษาให้ดีซะก่อน คิดไว้ว่าจะเอาไปฝากเข้าโรงเรียนบาดหลวงให้เรียนภาษาฝรั่งทั้งสองคนตายแล้วคุณเปรมลูกฉันนิไกลเข้ารีดเป็นฝรั่งมังค่าไปหมดหลอกหรืออย่าวิตกไปถึงเพียงนั้นเลยแม่พลอยถ้าเราสอนให้ลูกเราเข้าใจว่าเราส่งแกไปเรียนเอาแต่วิชาความรู้แกก็คงไม่แหกคอกทิ้งศาสนาของพ่อของแม่ไปหรอกเรื่องนี้แม่พลอยอยู่ทางบ้านก็ต้องคอยอบรมแกไป ถึงอย่างไรฉันก็จะช่วยอีกแรงหนึง่งตั้งแต่นั้นมาตาอันและตาออสก็ย้ายจากโรงเรียนไทยไปเข้าโรงเรียนฝรัง่งคงเหลือแต่ประภัยที่อยู่กับพลอยทั้งวันวันหนึ่งชอยนุ่งดำห่มดำเดินเข้ามาหาพลอยที่บ้านด้วยหน้าตาอันเศร้าหมองพอเห็นหน้าพลอย ชอยก็สุดตัวลงนั่งร้องไห้แล้วก็บอกว่าพลอยคุณพ่อฉันตายซะแล้วโทรชอยพลอยร้องขึ้นน้ำตากรบลูกตาขึ้นมาทันทีเพราะคุณหลวงคุณพ่อของชอยนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่พลอยรักมากที่สุดคนหนึ่งถึงว่าในตอนท้ายอาจจะห่างเหินไปบ้างแต่ว่าพลอยก็ยังคงนับถือท่านอยู่มาก ท่านเจ็บไข้เป็นอะไรเมื่อไหร่ช้อยทำไมฉันไม่รู้บ้างเลยฉันเองก็ไม่รู้อยู่ๆแม่ก็ให้คนวิ่งเข้ามาบอกว่าพ่อเป็นลมตายฉันตกใจแทบจะสิ้นสติจะบอกคุณอาก็ไม่กล้ากลัวจะตกใจเป็นอะไรไปอีกคนนึงต้องปิดแล้วก็หลอกว่าคุณพ่อเจ็บฉันจะออกไปเยี่ยมที่บ้านพลอยก็ถามว่าแล้วช้อยจะทำอย่างไรต่อไป มีอะไรที่ฉันจะทําให้ได้บ้างอย่าเกรงใจเลยไม่มีอะไรหรอกแม่พลอยฉันมาบอกให้รู้เท่านั้นเองเพระาะญาติพี่น้องอื่นก็ไม่มีใครอีกเพราะว่านี่ฉันก็เก็บศพไว้ที่บ้านวันเพลหาดหน้านี้ก็จะทําบุญเจ็ดวันพลอยไปเอาตอนนั้นก็แล้วกันนะฉันจะต้องไปแน่ทีเดียวแล้วแม่ฉันเป็นอย่างไรบ้างก็ได้แต่นั่งร้องไห้นี่บอกฉันว่าเผาคุณพ่อแล้วจะเข้ามาอยู่กับฉันในวังอา้าว แล้วทางบ้านล่ะก็เห็นบอกว่าจะให้เขาเช่าเก็บค่าเช่ากินไปวันวันหนึ่งแล้วพี่เนื่องเขาไม่ทำอะไรบ้างหรอ <S <S ชอยก็เลยบอกว่าพี่เนื่องอะเหรอเวลานี้เขาก็มาอยู่ที่บ้านฉันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาหลอกพลอยแต่เห็นแม่บอกว่าเขาเชื่อเมียมากกว่าเชื่อแม่ฉันก็จนปัญญาฉันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเมียพี่เนืองนี่ชอยธรรมดาลูกชายคนเดียว เมื่อพ่อแม่แก่ก็ต้องเป็นที่พึ่งอุปการะกันไปตามเรื่องแม่แกไม่ชอบลูกสะภ้ไม่ชอบมาตั้งแต่แรกแล้วเลยสายตาไม่กินกันมาเรื่อยจนบัดนี้เวลานี้เขาก็มีลูกมีเต้าเป็นกองเขาจะมามีเวลาดูคนแก่อย่างไรได้ให้แม่เข้ามาอยู่เสียในวังก็ดีแล้วละ่ะฉันจะได้ไม่ต้องห่วงวิ่งไปวิ่งมาระหว่างคุณอาทางนึงกับแม่อีกทางนึง คุณอายิ่งแก่ลงก็ยิ่งยุ่งยากขึ้นทุกทีต้องคอยดูกันเหมือนเด็กๆแต่แม่ไม่เป็นไรหรอกคงเลี้ยงง่ายกว่าคุณอาฉันก็พอจะดูไหวพลอยฟังแล้วก็สงสารช้อยจับใจแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรได้ช้อยเคยเป็นเด็กแล้วก็เคยเป็นสาวมากับพลอยได้ใช้ชีวิตได้ผ่านการอบรมมาอย่างเดียวกันไม่มีผิดแต่โอกาสในชีวิตของช้อยกับของพลอยเหตุฉไฉนจึงแตกต่างห่างไกลกันนักหนา พลอยมีฐานะดีมีสามีทำงานเป็นหลักฐานมีเงินทองใช้สอยภาระของพลอยที่มีนั้นก็คือลูกๆซึ่งจะต้องอบรมเลี้ยงดูให้เป็นคนดีต่อไปแต่การเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้นถึงจะเป็นภาระอันหนักก็ยังมีความหวังที่จะได้ผลตอบแทนในภายหน้าเป็นความปิติภาคภูมิใจส่วนช้อยนั้นดูเหมือนจะต้องนั่งเลี้ยงคนแก่ซึ่งนับวันก็มีแต่จะเสื่อมลง ทังกำลังใจกำลังกายไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นอกจากจะตายให้เผาและในที่สุดชอยก็จะถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียววันนี้ฉันขอนั่งคุยนานๆหน่อยเถอะแม่พลอยหมู่นี้ฉันมีแต่เรื่องกรุ้มใจนั่งคุยกับแม่พลอยให้นานๆบางทีอาจจะสบายใจขึ้นบ้างชอยก็รู้อยู่แล้วว่าจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ ฉันไม่ว่ากลับจะดีใจซะอีกชอยเช็ดน้ำตาแห้งแล้วแต่บนใบหน้ายังมีรอยโศกติดอยู่ชอยหยิบหมากมากินก่อนจะบอกว่าเกิดมากับเขาชาตินึงก็มีกรรมเสียละ้ละพลอยเอ้ยอยู่กับคนแก่จนกระทั่งกลายเป็นคนแก่ไปเองวันหนึ่งหนึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรได้แต่นั่งเลี้ยงคนแก่ไม่ทำให้ก็ไม่ได้สงสารฉันแก่ลง ใครจะมาเลี้ยงฉันบ้างก็ไม่รู้ฉันเลี้ยงเองชอยดัตจลีดตัวจะมาเลี้ยงเขาได้อย่างไรอายุก็พอๆกันเดี๋ยวนี้กลับมาทําสาวกว่ากันไปซะแล้วกว่าเขาจะแก่ตัวก็คงจะงำพอๆกันนั่นแหละคนแก่เลี้ยงคนแก่สนุกตายละพลอยฟังแล้วก็ต้องหัวเราะกับคําพูดของชอยและนึกสบายใจที่ช้อยยังไม่ทิ้งอารมณ์สนุกที่มีมาแต่เดิม ช้อยเล่าให้พลอยฟังว่าบางครั้งช้อยก็แสนจะเบื่อเบื่อก็คือสภาพในวังที่ช้อยอยู่นั้นปัจจุบันไม่คึกคักและก็ไม่รุ่งเรืองเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้อะไรๆก็น่าสนุกไปหมดแต่ทุกวันนี้มีแต่จะซุดโซมไม่มีคนเหลี้ยวแล จริงๆนะพลอยบางเวลาฉันก็อยากจะไปไหนซะให้มันพ้นๆแต่ก็ไปไม่รอดเดี๋ยวนี้ในวังมีแต่จะสุดลงไปไม่มีใครเหลียวแลเหมือนกับกรอนที่เขาบอกว่าถึงเดี๋ยวนี้มีแต่พระปรางเปล่าพระผ่านเก้านิพานนานหนักหนาเจ้านายที่ท่านยังประทับอยู่ก็มีเหลือน้อยพระองค์ที่ท่านพอจะออกไปได้ท่านก็ไปอยู่สวนอยู่วังข้างนอกกันหมด ใครที่เขาว่าดีเขาก็เที่ยวซอกซอนฝากเนื้อฝากตัวกันไปไอชั้นนี่มันทาไม่เป็นก็เลยตกค้างอยู่ที่เก่าที่ตำหนักเสด็จนี่หละซึ่งตอนเนี้ยก็ปิดเงียบยังกระตึกร้างไงบางทีฉันก็กรุ้สใจนะคิดอะไรก็ให้วิตกไปหมดเห็นไม่เที่ยงไม่จีรังอย่างในวางเนี่ยถ้าสมเด็จพระพันปียังประทับอยู่ก็คงจะไม่ร้างเร็วขนาดนี้ แต่ท่านก็เสด็จไปอยู่เสียที่วังพญาไทยเออฉันได้ยินข่าวว่าสมเด็จพระพันปีประชวรไม่ใช่เหรอช้อยท่านก็ประชวรอยู่เป็นประจำเสมอนั่นแหละพรอยตั้งแต่ในพระบ ร, ร ม, มโกศสวรรคตมาฉันก็ได้ข่าวว่าท่านหมดน้ำพระทัยที่จะทรงทำอะไรฉันแต่จะทรงพระดำเนินก็ไม่ได้ต้องพยุงบ้างต้องประทับรถเข็นบ้าง เดี๋ยวนี้รู้มาว่าประทับอยู่แต่ในพระพิสูจนรเสวยก็ในนั้นบนรรทมก็ในนั้นใครจะไปเฝ้าแหนก็เข้าไปเฝ้าในนั้นอ้าวแล้วพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินนี้ท่านไม่เข้าไปประทับในวังบ้างเลยทีเดียวหรือช้อยในวงนังในที่นี้ก็คือในพระบรมมหาราชวังนะคะเห็นจะไม่หลอกแม่พลอยท่านโปรดประทับวังอื่นตอนนี้ สเสด็จเข้ามาแต่เวลาที่มีงานพอเสร็จงานก็สเสด็จ ก, กลับเมื่อผลัดแผ่นดินใหม่ใหม่ท่านเคยสเสด็จมาประทับที่ห้องขาวที่บนเกิดเรื่องตื่นเต้นกันที่ข้างในสนุกจะตายเรื่องอะไรเหรอฉันไม่เห็นจะรู้เลยชอยอ้าวก็เรื่องที่คุณมหาดเล็กที่ตามสเสด็จนะสิตอนเช้าเช้าเขามาเยี่ยมพระบัญชรที่บนแอบดูผู้หญิงข้างใน ถึงพยักเพยิดการสนุกออกฉันยังไปเตะแถวนั้นดูเขาเลยหืมช้อยนี่ก็สนไม่จบนะพรอยพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจช้อยคุยเรื่องเก่าๆอยู่จนบ่ายแล้วก็กลับไปพรอยรู้สึกว่าช้อยมีอารมณ์ดีสบายใจขึ้นจริงๆความตายของคุณหลวงเป็นเครื่องเตือนใจบอกระยะทางแห่งชีวิตให้กับพรอยอีกครั้งหนึ่งว่า ของที่ตนได้เคยรู้จักเคยพบเห็นนั้นกำลังจะหมดไปทุกวันและของใหม่ที่ตนไม่รู้จักไม่คุ้นเคยกำลังจะเข้ามาแทนที่และกำลังก้าวย่างใกล้ตัวเข้ามาทุกวันโดยที่พลอยไม่สามารถจะขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงได้